อัล ا ل ล ح و ا ل ا م ع ظ ي ا ل ل ه ل ا ا ل ح ن ا ا ل ت ا ل ر ص ر ي ويسر s a أملي مقدها l ا ل ل س ا ن a ف ه م ق a ل ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาและความเสนาเดินเจาะล้จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้คำยนืนละก็ผมมาพบปะพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับในนามของออกลุ่มอสุนนะก็มาแทนของเชฟติโกอาหัสสัมบดีที่ท่านได้ เ, เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจแล้วก็ทราบกันดีนะครับ โดยเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันนะของเชฟเนี่ยอยู่ในสุร์อนทางด้วยแนบะอ่า น, น, นางนะครับแต่ว่าปรึกษากับท่านเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะเอาสุระห์ที่สามารถจบได้ภายในเจ็ดคาบหรือเจ็ดครั้งนี่ใช่หรก็เลยเสนอเชฟว่าขอเป็นสุราอนอิบระฮีไม่ได้ไหมเพราะสุระหนนี้เนี่ยด้วยกับหลายเหตุผล เนื้อหาพอสังเกตสอกก็คือมีเนื้อหาเหากี่ยวกับการทำพัชหรือเกี่ยวกับในบีอิบรอฮิมานิ ส, สลาที่พูดถึงเรื่องราวการทำพัชนะครับแล้วก็ เ, เชคก็ไม่ ก, ก, ก็ก็ตกลงกับเชคก็เเสนอว่าเป็นสุรพัชดีไหมสุรพัชจะยาวกว่นี้ีกนะก็เลยตกลงว่าอาัลลอฮฺเป็นสุรอิบรอฮิมานิ ส, สลาการนเสนออัลลอ ผมจะนำเอาเนื้อหาโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนกับที่เช็คตั้ซื้อนะอย่างไรแต่ละอายะเนี่ ย, า ย, ย, ายผมจะพยายามให้เนื้อหาเนี่ยได้ได้จบทั้งหมดเนี่ยภายในเจ็เจ็ดครั้งที่เราจะพบเจอกันชาอลเนาะโดยในสุรา้อยอิบราฮิมนอสลามเนี่ยเป็นสุรร้อยมเกียก็คือถูกประทานที่ มักกนนารขณะที่น่าจะมีสอโลห์อะไรอัสสลามจะได้ยังไม่ได้อพยพไปที่เมือง์มิ น, มนีนะสุรอมักการเนี่ยจะเหมือนเหมือนการมีลักษณะในการก็คือเป็นการปลูกฝังหลักศรัทธาและปรับแนวความคิดต่างๆของผู้ศรัทธาให้มีทิศทางเดียวกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแรลงครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการอพยพและก็การ บรรดาต่างๆที่จะถูกประทานลงมาอย่างต่อเนื่งด้านการปฏิบัติเนี่ยรวมถึงการจีฮารเนี่ยที่นะหอนมาดีนะนะครับซึ่งสุรัตอิบราฮิมนี้เนี่ยแน่นอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีอิบราฮิมเนื้อหาเกี่ยวกับบกุกกาเนื้อหาเกี่ยวกับการสัตย์ถ่อกล้องการสัตย์ถ่ อ, อรอซูลเกี่ยวกับวันกิยามะและมีเรื่องราวของนบีมูซาอัลยอิสลามมีการแนะนำอัลลอฮ์ سبحانه และกุลตัลลัลเนี่ให้ เราได้รู้จักถึงความโปรดปารานความยิ่งใหญ่ของอล้อสุบะานตัวตาละผมรู้สึกว่ามีเนื้อหาหลายส่วนที่มีความน่าสนใจอย่างมากและทําให้เราเนี่ยศึกษาแล้วน่าจะปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติที่เรามีต่อตอนเองและเราเนี่ยมองไปยังอล้อสุบะานตัวตาเนี่ยรู้จักอล้อมากขึ้นรู้จักคำพี่ที่ล้อสุบะานตัวตาเนี่ยประทานมาให้กับเราเนีมากขึ้นนะครับ ผมก็จะขออนุญาตนะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาเลยนะฮะในสุรยิบราฮิมอัลลอฮิสสลามอ้าวุุบิลลาฮิมินัชชัยตอนอูรรจิบิสมิลลาฮิรรห์มานุรรฮิมบิสมิลลาฮ์เริ่มต้นทุกสุรนะเริ่มต้นทุกสุรเป็นอุลามะเขาเขาจะแบ่ง สุรร์ต่างๆนาเนี่ยแต่ละสุรร์ยจะเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลา์ก็ขัดแย้งกันว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสุรร์นั้นหรือเปล่าถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจะมีขึ้นต้นทุกสุรร์นะับยกเว้นสุรร์เดียวก็คือสุรบบร์อัตเตาบะบรออตมิลลอฮ์แต่ส่วนสุรร์อื่นๆเนี่ยก็จะมีบิสมิลลา์หนึ่งตั้งแต่แล้วก็ยกเว้นอีกหนึ่งสุร์ก็คือสุรร์นนัมที่จะมีสองตั้งแต่ัเองนะครับ ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอคอรับอาระเบมานเนี่ยที่เราก็ได้ทราบความหมายก็คือเป็นผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปกับทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ปฏิเสธแต่จะเป็นผู้เมตตาอาระหิมเนี่ยเฉพาะผู้ศรัทธาและปฏิบัติตามคําสั่งของ Allah เนี่ยอันนี้เฉพาะในโลกง่ายาเดียวซึ่งอารอเมานเนี่ยก็มีเนื้อหาสมัยอดีตอิบลารีบาริสลาเนี่ ย, คาา ย, นะ เ, ยเคยขออนุญา ขอตออัลลอฮ์่บอกว่าอัลลอ์ได้โปรดประทานปัจเจัยนที่ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาก็ละวมันกระฟออัลลอฮ์ก็บอกว่าผู้ปฏิเสธด้วยอยู่มาขบอกว่าเนื่ ye, องจากอัลลอฮ์เนี่ยสร้างพวกเขามาแม้จะเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยแต่อัลลอฮ์ก็ยังคงเมตตากับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราแนวทางในการที่เราจะเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอ์เนี่ยจะให้เขาเเห็นถึงความโปรดปาของ ซึ่งซูร้นี้นะจะดึงเราเนี่ยให้เห็นถึงความโปวดปานของก็คือดึงเสภาพที่จริงเนี่ยเรามีอยู่แล้วความโปวดปานที่เราได้รับจากอัลลอฮ์แต่บางครั้งเนี่ยมนุษย์คนเนี่ยไม่เห็นพอไม่เห็นแล้วเนี่ยประการหนึ่งก็คือจะเกิดความทุกข์จะเกิดความเศร้าและประการถัดมาก็คือจะนํามาซึ่งการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาใน บ, บิยุบอรฮีมาอิสระเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่เอ่อเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ท่านจะมีม ja, ูซากาลัยอิสลามเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเนื้อหาในสุร้อนนี้เนี่ยจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะและเราจะพบว่าอัลลอฮ์สุบฮาระหัวตะละเมตตาเนี่ยหลายแง่มุมไม่เพียงเฉพาะการสร้างเท่านั้นการสร้างเนี่ยเราก็จะดึงมุมต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮาระหัวตะละเมตตาในชีวิตของเราแล้วก็ในแง่ของบทบรรยัติเช่นเดียวกันที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะระเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์มานี่คือบอกว่าเมตตากับคนทั้งหลาย เราจะได้เข้าใจว่าเวลาเชิญชวนทุกคนสวดร้องเนี่ยจะใช้คาว่าเอาล้อในเมตตาแต่จะไม่ใช้คาว่าเอาล้อในรักท่านชาวคริสเตียนเขาใช้ใช่ไหมฮะเอาล้อรักพระเจ้ารักทุกคนแต่ผู้สิ้นเนี่ยไม่ใช้ทําไมเพราะเนื่องจากว่าความรักเนี่ยถ้ า, าล้อรักใครแล้วเนี่ยมันมีระดับที่เหนือกว่าคนอื่นบางครั้งในเราใช้กันผิดเหมือนกันเราไปได้ยินว่าเออสโลแกนว่าพระเจ้ารักทุกคนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะเอามาใช้นะ กับุสติปแต่อุลมาเขาบอกนะดูอย่างเช่นแซลักนนจเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้เราะรักทุกคนถ้ารักทุกคน ก, กคน็เท่ากันแล้ลรักเนบอกในอัลกุรอานเนี่ยว่ารักทุกคนด้วยนะอยู่ใหุ้่ตาวะ บ, บีเตายให้ปุ่นมุตะฮรรักคนที่เตาวัดตัวแล้วเราไม่รักใครเนี่ยไม่รักบรรดาผู้ปฏิเสธไม่รักใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเชิญชวนคนจะใช้คบว่าเลาไม่อา แต่จะไม่บอกว่าเมตตากับทุกคนใช่แต่รักเนี่ยเาไม่ได้รักทุกคนเพราะหลังจากที่เรารักใครแล้วเนี่ยมันมีหลังจากนั้นอีกจะเป็นบุคคลที่พิเศษน ะ, ะับ น, น, นี้คื อ, อความหมายโดยสรุปนะครับอั์มานอาัลอฮีอลิลารอเนี่นี่เป็นคเรียว่าฮุรุฟมุกตตอะเรื่อต้นเนี่ หลายสวย่วนในอัลกุรอานแต่ผมอ่านอายัดจบ น, นะครับชอบแล้วเราจะดูความหมายในแบบแบบสังเกตด้วยคุผมจะเอาในส่วนที่คิดว่าพอจะเข้าใจเนื้อหาโดยรวมได้นะครับกิตาบุญอันซัลนาะฮุอิลัยกะริตุขริจันนาสมินั้นุลมาติลันนูริบิอิฎนิรับบิฮิมอิลาสิรัติล عزيز อัลฮามี อเลฟรามรอไม่มีผู้ใดรู้ความหมายนอกจากรอหนึ่งนะฮะสองคือแต่อุลามาบางท่านเนี่ยเขากพยายามที่จะดูความหมายว่าเกิดความหมายได้ยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วได้ข้อสรุปว่าไม่มีผู้ใดให้ความหมายนอกจากรอแต่เชเอ อ, อบูบักอัเจซีนีนะเป็นคนแองเรียาแต่อยู่ที่มาดีนนะแต่สอนที่มาดินนะและผมเคยไปร่วม ฟังแกบันไดไชร า, าพอสมควรแล้วก็จะปปวยด้วยนะครับท่านได้บอกไว้สอง ส, อง ส, องสองประการที่เป็นประโยชน์สําหรับโฮรูฟเหล่านี้เนี่ยที่ยวร้องสุภาทานอังควราได้บอกว่าในอังกุระไม่ได้บอกเชิงความหมายแต่บอกเชิงประโยชน์หนึ่งก็คือเป็นการเรียกร้องความสนใจสําหรับบุคคลที่จะฟังอังกุระเพราะบรรดาผู้ปฏิเสธสัมพันธ์เนี่ยเขาจะห้ามบอกว่าอย่าไปฟังอังกุระ เราตั้งใจเรียนอ่านอัลกุรอานย่างนี้ฟังนั่ลกุรอานแต่วลากุรอานเะนี่ยเริ่มต้นอั mi, ลิฟลามีและลากเสียงเป็นตัวยีวิตใช่ไหมพอดึงเสียงเนี่ยเฮ้ยไพ่เนียอาระเบียเนี่ยเขารู้จักเลยปัจจศอัลิฟลามมี mi, คืออะไรเขาก็เลยต้องหันมาสนใจเออไพ่อัลิฟลามมี mi. อัลิฟลามรอ ดังนั้นเนี่ยเชแต่คเชคอ่ออุมบาันยาไซรีเนี่ยก็บอกว่าเป็นการดึงดูดความสนใจซึ่งเป็นวิธีการนําเสนอไม่เคยปรากฏมาก่อนในหมู่ชาวอาระบแม้ว่าชาวอาระบจะใช้ตัอักษรเหล่านี้ในการสนทนาพูดคุยและเปียนความคิดเขียนกันก็ตามดังนั้นเนี่ยนี่คือผู้นํามาไม่เคยเหมือนอะไรเนี่ยอุลมะ ก, ก็บอกว่าในเกิดในภาษาอาระเบเนี่ยมีการเขียนหรือการประพันธ์เนี่ยสามแบบ หนึ่งก็คือร้อยแก้วสองคือร้อยกรอกและสคืออันกุระกุระนี่เป็นเป็นเป็นเม็ดต่างไม่ใช่ร้อยแก้วแต่ก็ไม่ใช่ร้อยกรอกแสดงว่าผู้อ่านมาในลักษณะที่ไม่เหมือนไทยทสิก็เลยเป็นตํากัดขอรองสุภาษัณห์หัวละหนึ่งนะครับสองที่เป็นประโยชน์อย่าที่เชคซะที่ได้บอกคือเป็นการท้าทายบรรดา มุชลีกีนบางการที่เป็นชาวอารับหรือไม่ใช่อารับเองก็ตามที่พวกเขาเนี mm ่ยมักจะกล่าวหาท่านนบีสโลลอะไรก็สําหรับว่าอัมเบียปูลูนัสตรอพวกเขาจะกล่าวหาท่านนบีเนี่ยประพันธ์ขึ้นมาอัลลัฮฺก็ยกเนี่ยโอเคประพัน์เอาเอาตาที่พวกท่านเห็นพวกท่านเห็นว่าประพันอักระพันตามถ้าประพันแล้วอลิบลาอรอและประพันธเรื่อกับอักษรอะไรครับอักษรที่พวกท่านใช้ สื่อสารการแลกหลักเน่สมัยก่อนนนเนี่ยปูอหันของวกเขาเนี่ยสูงส่งมากเนี่ยฟักตูบิอชัชริวมิลีมุสตะไรัจงนำมาประพันมาตามที่มุฮัมมัดประพันเถิดมุฮัมมัดประพันใช่ไหมโอเคมุฮัมมัดประพันดังนั้นเนี่ยจงนสิ่งที่เหมือนกับที่มุฮัมมัดประพันนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรต้องการจะบอกว่ามุฮัมมัดสโลโลอว์อั่วนโกหกใช่ไม้มไม่ต้องหาหานอะไรมาก เพียงแค่นำเอากุรานเนี่ยเหมือนกับที่มุฮัมมัดสุลล็อตวะอะไรวะซาบิลมาหลายอายัดเนี่ยหลายคุรานเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้นามาทั้งเล่มกุรานทั้งเล่มเหมือนที่ท่านอดีอสุลานนำมานมาสิบสิบซุลล็อตหรือนามาในแค่ซุรลอตเดียวมีหลายหลายหลายครั้งค่รอได้กล่าวจาเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นในซุลล็อตบางร้อยเนี่ยร้ได้กล่าวันมีทั้งเล่มนะ “คุ ل ไม่ได้ตระหนักว่าอินทรีย์และจินน์อยู่บนโลกนี้กี่คนแต่ถ้าเราอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่ و นอ่านอ่าอ่านอ่านอ้านอ่นอ่านอ่านอ่านานอานอ่า่านอ่านอ่านอานอ่านอมาอ่นอ่านอ่านอ่าน่านอานม่านอ่านอ่านอ่าอานอ่า่อ่านอ่านาอน บางคนจะช่วยกันรประพันธ์ช่วยเหลือระหว่างกานนาันก็ตามนี่อายะนี้นนะอายะในสุรฟูดอะเลสลานลัสุบากานตารก็กล่าวเอาไว้เอาียร์ปูดูนัซองหรือว่าพวกท่านพวกเขาเนี่ยกล่าวหาว่ามุฮัมมัดปั้นแต่งขึ้นมาพ้นจ ง, งเก่าเกิดฟักตูบีอชริซูริมิธลิฮิมุตอะรเงีว่าจงนามาสักสิบสุรสอนี่ลดล้วอนแรกก็คือถ้าไรน ทั้งเรอั เ, เกี่ส่วร้อหนึ่งรสิบสี่โอเคถ้าคุณประพันหนึ่งอสบสี่ไปได้นำมาสักสิบส่ร้อยสิบส่วนร้อถ้าพวกคุณเนี่ยกล่าวจริงอีคุณตุมซอนอีกหากพูดจริงพูดจริงว่าอะไรครับพูดจริงว่ามห ม, มาทดังมาก็จบนามาสักสักสิบสนร้อยอ่ะยังไม่มีคนดงใหม่อ่ะบีก็นมาเรื่อยๆนะดังเสือเรืเ่อยกุากุลาเนี่ยเออทยอยเรื่อย แต่ล ะ, ละวันแต่ละคืนแต่ละช่วงจังหวะใช่ไหมฮทั้งหมดประมาณเ่นั้น7จ็เจกุ่นคำใช่ไหมฮะยังไม่ได้อลัลเราก็รวมอะไนะเอ่ออีกส่วนหนึ่งรวมมานะครับที่เพียงแค่หนึ่งส่วนว่าอินค um ุนตุนฟีรอยบิมหาพุกท่านสงสัยังสงสัยอยู al al ่มิมมานซ่นนะอะอดนจากสิ่งที่เรากระทามาให้แบบเาของเราคสัานวลนะคือสันว น, นะสนว น, นาบีจะใช้ใช้เรียกตัวเองว่าเป็นบา่าคือมันดูตับ ใช่ไหรบแต่อโลนกลัใช้ว่าหากพวกท่านเนี่ยสงสัยในสิ่งที่เราประทานให้กับบ่าวของเราตัวมุบาสซรอลทำไงครับฟระจูปิสูรติมีมิตรลีิจงนำมีแค่หนึ่งโซร์ให้เหมือนกันเรารูโซร์หนึ่งเนี่ยความยาวเท่าไหร่ครับหนึ่งโซร์นะความยาวเท่าไหร่สามอายาัไม่มีต่ำกว่าสาใช่ไหยสามอายันเนี่ยไม่ถึงสองบรรทัดใช่หมโซร์อะไรที่สั้นที่สุดอนะ อันเก่าลโอ้โหนีนสั้มากคือประมาณบรรทัดครึ่งกลาวคือจงแต่งขุ่แบบวสุดยอดมากบุรุษจงแต่ง แ, แค่บรรทัดครึ่งถ้าแปลแปลเป็นภาษาไทยนะจงนำมาสักหนึ่งบรรทัดครึ่งโอ้โหตอนแรกทั้งเนี่ยู้หญิงสิบสุก็ดูเหลอเยอะเป็นสิบบทใช่ไหมไม่เป็นไรเอามาแค่บรรทัดครึ่งออาจารย์่เท่าไหร่แปลเปนใช่มที่ไม่ต้องนึ สุะเนมาแค่บรนัดึ้นแล้วเอาอะไรครับไปเอาอักษรที่เป็นตแตก่ของอโอมัตเราอาิลารออักษรที่ท่าช้กันตลอดใช้กันตลอดชีวิตเภาษาอาหรับที่คืออาหรับใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ภาษา อ, อื่นไม่ได้ไหมแล้วลในมิซอลลอวะซัลเนีพูดเอ่อพูดได้อย่างเดียวคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วลในมิซอลลอวะสลัมเนี่ยนอกจากอ่า่ออกเขียนไม่ได้แล้วเนี่ย ประพันกรเนี่ยนะฮะไม่เคยวามาอัลลัมนาฮุเชียโรมายาบีรเราไม่เคยสอนเราบอกเราไม่เคยสอนเขาบีนะว่าเพวกอาหรับเขารู้ดีสมัยคูเรชเขรู้ดีไม่เคยนราสักบทนบีบางทีฟังแล้วรู้สึกมีนะฮะบทกบีนักรอนเนี่ยที่ที่เขาประพันให้กับมุสลิมอย่างเช่นชื่ออะไรอิบมุฮาริสตาเป็นเป็นพี่น้องกับท่านเสกจาชื่อไม่ไม่แม่ ท่านมีโซลเลาซ์นเนี่ยไม่สามารถที่จะประพันบทกลอนได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยนำมาเป็นอะไรนะเป็นอัลกุรอานังนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลสุบฮานอุลมาบอกว่าอักษรที่ขึ้นต้นเนี่ยอลยิฟลา ม, มีลิสลรมตนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบร0อร์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ ย, ย, ยมักจะตามม า, เ น, านเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหาเกี่ยวกับอัลุรอาน อีดาหุนอันซัลนาอิเลิกะลิตุขริยานนัสขามีล่นอัลลบอกนะเป็นประโยคบอกเล่าขามีล่อนอันซัลนาเราประธานใครประธานครับอัลลอบอกชัดเจนนะเป็นงานท้าทาย <c oughs> สอนคามอี่เชคเอ่ออัจเซีรีได้บอกอบัตอับบาาจเซยรีคามีล่นึเราประธานไม่ใช่มุฮัมมัดเป็นคนปั้นแตเราราลงมา ي ي อิลกะยังใครครับ ออนน ท, ท่านนบีซอลลาร์ก็เลยสักคำพีเล่มหนึ่งประธารรัยท่านนบีอแลก่นี่คือพูดกับท่านนบีซอลลาร์ผสมประธานธรรมาอย่างมีเป้าหมายหรือตุครีนนะัสไม่ใช่เปเนเล่นไม่ใช่ประพันเล่นเล่นบางคนเขียนบทความบางคนเขียนดดอะไรันอ่านสนุกนิยายเขียนได้เยอะใช่ไหมฮะอ่านสนุกได้อะไรเหมือนกับสายศาสตร์นะสายศาสตร์มีคนทึ่งเนะันทึ่งมนฮะอุยเดินบนไฟได้ บคนเดินบนน้ได้คำถามต่อมาก็คือเพื่ออะไรเ ด, นน เ, ดเดินบนเลือยสลิงเดินมาอะไรบางทีเชนตอนอ ย, อยู่ใช่หมคอยประคับประคองเนี่ยคำถามต่อมาง่ายที่เดียวว่าคำถามเพื่อเพื่อเดินบนไฟได้บางทีเราไปดูพวกอะไรนะนักศิลป์ศาสตร์อยู่บาที่พวกเล่นเขา่าโศกเอาแทงป่ากสอนทะลุอีกข้างอยงเงี้ยมันก็ดูแปลกใช่ไหมคำถามต่อมาเน่ต้องเพื่ออะไร กตาเราต้อกตส่วนขอุรานเนี่ยไม่ใช่ว่าของเล่นๆนะแต่คุรานที่พาณิวัฒน์เล่นมีเป้าหมายต้องประทานลงมาเนี่ยเพื่อลุขรินัสเพื่อเจ้าจะได้รผู้คนมีนัสซุมัสออกจากซุลุมัสก็คือความมืดมิดไม่ใช่ความมืดมิดเดียวนะซลุมัสเนี่ยแปล แ, ปลแปลว่าบรรดาความมืดมิดก็แปลว่ามืดมนจากความมืดมนทั้งหลาย อีลา น, นูตไปสู่แสงสว่างนูนี่คือแสงสว่างนูตเดียวใช่ไหมครับแสดงว่ามีจุดประสงค์ในการประทานอันกุรา่าในพี่น้องสังเกต น, นะครับภาษาอับเล็กน้อยอันเส้นนำภูใครประทานครับออกมาประทานประท า, านอะไรครับผู้ขีตาลาก็คืออันภุราใช่ไหมรา ค, าครับปัญญาไครครับดีในกาอย่างเทนเ ด, ดีใช่ซ อ, อสเพื่ออะไรครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้ละเอียดว่าดีตุกฤษะ เพื่อท่านใครท่านในดีโซจะได้นาผู้คนออกเอราไม่ได้บอกว่าลยุคริาเพื่ อ, อ, อกุานจะได้นำผู้คนออกเพื่อท่านในดีจะได้นำผู้คนออกกล่าวคือเราจึงเข้าใจได้ว่าอุไรเนี่ยแน่นอนคือผู้ไรเขาเรียกอะไรเป็นคําิีที่สงบูรณ์แบบแต่ว่าหน้าที่ภารกิจเนี่ยเป็นของคน Blue เป็นของคนเองคู่ครวญในสมัยน่านอาลีบูฮเกียตอเลรอติอัลลอฮฺครับท่นเขาบอกว่าเอ่อให้ตัดสินด้วยกับท่ากุรานเราไม่ยอมให้คนตัดสินดูบางทีคนก็แบบไม่เข้าใจคู่ครวญบอกว่าเราไม่ยอมให้คนตัดสินลราจะให้คนตัดสินได้ยังไงต้อให้กุรานตัดสินท่านอาลีก็บอกให้กุรานตัดสินว่าคุณคือกุรานคุรานเนี่ยใช่มีข้อตัดสินแต่ต้องคนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินด้วยกับท่านกุราน นี่คือประเด็นนะดังนั้นเนี่ยภารกิจปาทานมาในพุทอาสนสมบูรณ์ใช่ไหมฮะพุทอาสนสมบูรณ์แต่ต้องมีคนที่มีบุคลิกเหมือนกับอันพุทอาสอนจึงจะส่งผลให้ผู้คนออกจากความมืดไปสู่ความสว่างดังนั้นเนี่ยเราจึงเข้าใจง่ายพุทอาเล่มเดียวกันนหฮะเล่นเดียวกันสมัยนั้นจะมีเหมือนกันนะครับสมัยสวามิวัตรเหมือนกันสมัยเราเนี่ยพุทธาเล่มเดียวกันแต่อีพิพลหรือผลลัพธ์ ในการนําผู้คนออกจากความมืดสู่ความสว่างเนี่ยแตกต่างกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่อังกุระแต่ปัญหาอยู่ที่ตุคฤจี่ยคนที่จะบุคลิกเหมือนกับท่านนาบีเนี่ยไม่มีหรือมีน้อยบุคลิกที่เหมือนกับท่านนาบีสละวาวาอะไรสักทีตุคฤจเราไม่ผิวขริ จ, นนจเพื่อผูุ้ทธานจะได้นำเพราะพุทอานนี่คือสองพุทอยู่แล้วแต่ภารกิจของท่านนาบีคือท่านนาบีเนี่ยจะเป็นผู้ที่นําผู้คนออกจากความมืด ทั้งหลายสู่ความผัสอยดังนั้นเราจิเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าภารกิจของเราก็คือภารกิจรับธุรานแล้วก็พยายามนาสู่การปฏิบัติถึงจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนออกจากความมืดสู่ความสว่างไปมีนซูลูมาฮีละนูรบิยิบนิรบด้วยกับอนุมัติของพระเจ้าของพวกเขาอันนี้คุราบาลเขาบอกว่า เป็นการบ่งบอกว่าฮีดายักษ์หรทางนำเนี่ยก็ยจะมาจากอัลลอฮ์ต้องได้ครับอุดมัสจากอัลลอฮ์สุบฮานอูวาตาละไม่ใช่เราลำพังสามารถที่จะให้ทางนำกับใครได้ <S <S ฮีดายักษ์หรือทางนำเนี่ยฮุดานี่มีสองอย่างสงประการฮุดาอุปราช เ, เป็นฮุดาลินนัสและเป็นฮุดาลินุตติกิน เป็นทางนำสหรับเออเป็นดาสหรับ <Practice Alberto infinite> ุชาติและเป็นดาสำหรับพุทธกิจยังไอาเอทุกรั้งรเป็นทางนสหรับทุกคนหรือเป็นทางนสหรับราพุทธกิเท่านั้นในตอนต้นของสุรัตนกรรชนีร์เดียวกันดาลิตหนรกิจาาุลกีนในสราเกี่ยวกับรมนีชาวรมดลินน แต่คุณดารินัสแต่คุณดารินุตติภิมแสดงว่าคูดาร์มีสองอย่างกุณดาอิริชัทหนึ่งก็คือทางนําที่เป็นการแนะนำํำจะไม่ได้ว่าทางนำคุณรู้ไหถ้าแปลเป็นไทยนะจะเรียกว่าคําแนะนําหรือข้อแนะนําคุณดาอิริชัทคือการแนะนำแสดงว่าคุณอาร์เนี่ยเป็นคุณดาินัสแปล่าวคือเป็นคําแนะนําสําหรับมนุษยชาติเป็นข้อแนะนําสําหรับมนุษย์ทุกคน ไม่ปิดกันดังนั้นนี่คือจุดเด่นของคำดีอันผูราดเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ถึงเรื่องราวของน บ, บีมูซาล์ดสำหรับ น, ะน บ, บีมูซาถูกส่งมาเฉพาะกลุ่มแม้แต่ชาวยูใปัจจุบันนี้เนี่ยศาสนาเขาจะถือว่าเป็นศาสนาปิดนะน บ, บีมูซาก็ถูกสั่งให้แปลว่าเฉพาะกลุ่มชนของท่านในอย่างเดียวยูใปัจจุบันนี้เนี่ยไปดูศาสนาปิดก็คือไม่มีการเข้ารับศาสนายูแต่ฟิสเนี่ยอาจจะมี รรเพราะอะะาะน่าจะเป็นอิทิพลก็คือส่วนหนึ่งคือเป็นโดยเฉพาะกลุ่มชนไม่มีฮะก็คือเขายาโอมกลุ่มชนเท่านั้นแต่ไม่เหมือนกับอิสลามหรือว่าอัลกุรอานกุรอานในฮุดานลินนัสเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดไม่เว้นแสดงว่าเราปกปิดใครไม่ได้หรือเราไม่มีสิทธิ์ว่าเอ้ยเป็นของฉันอย่างเดียวเพราะในวายร์อ้อนเนยอ้อนบอกว่าฮุดาลินน h สเชฮาลุร์รับตะนะแลดอุนซิลฟีฮิลกุรอา น, น ฮูดานลินนสทุกคนมีสิทธิ์รับทางนําจากอันกุรัตใครก็ตามจึงไม่มีสิทธิปป์บอกว่าแต่คุณไม่ใช่มุสลิมฮูดานลินนสแต่ผู้ที่จะได้รับทางนาเนี่ยเป็นใครครับฮูดานลินมุตเตกินฮูดานคนที่สองเนี่ยจึงมีความหมายว่าฮูดานเตลฟีก็คือได้ได้ทางนำเราคิดนี่คือแปลว่ารับประสบความสําเร็จก็คือฮูดานตลฟีก็คือการได้รับทางนํจาจากองค์สุภะาน ดัะนั้นเนี่ยพรกิตท่านนบีก็คือว่าอินนากาลทดีอิลรอิมุสตติบท่านเนี่ยจะชี้นาผู้คนจะแนะนาผู้คนสู่ทางมันเที่ยงตรงอีกอายะหนึ่งเราได้กล่วว่าอินนกาลทดีมันอันบัท่านจะไม่ชี้นำคนที่ท่านรักเอาอย่งไรขาดหรือบะไม่ขัดเพราะว่าอายะที่นาเสนอข้างต้นอายะแรกเนี่ยที่ท่านะมีจะชี้นำก็คือ ปูดาอะไรครับยุรชาตคือคำแนะนำให้คาแนะนาไปส่วนท่านที่เที่ยงตรงยินกาลาตยินมาาันอาภัพตะส่วนทา่านจะไม่ให้ทางนแก่คนที่ทา่านรักแต่คือ ท, ทางนำนี่ก็คือปูดอตัตฟีทางนำที่จะให้คนเนี่ยครับคนนี้ต้องได้รับคนคนนี้ต้องได้รับคนนี้ต้องไม่ได้รับแต่นั้นจึงมีอายะตรงนี้เี่ยเขาบอกว่าบีอินมีรบบีฮิมต้องได้รับอันควรจะเอาไว้ คำว่าอนุญาตจากอลัลลอฮ์หรือพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยไม่ได้หมาว่า อ, อลัลลอฮ์จะงดเว้นอโดยที่เออะไรนะฮะคนนั้นต้องการทางนำจากอลัลลอฮ์ไม่ให้อลัลลอฮ์ทำเขาเนี่ยให้เวลายซดิลิมุร์รับผูกกอบอาฮาเนี่ยสุลตักาฟิอลัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ทำกับคนหนึ่คนใดแสดงว่าที่อลัลลอฮ์ไม่ให้ทางนาเนี่ยไม่ใช่เนื่องจากอลัลลอฮ์ทำแต่เนื่องจากเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะไม่ได้นำทางแบบที่อัลลอฮ์ได้บอกในในอ สนวุมบดีอิน so ้บมต์บอรู้ว่าครยหลงทางออกจากบนทางขอว่าหัวหวอาแล้วมูบมรู้ว่าใครนยควรจะได้รับสัตยดับแลวเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อบางคนเนี่ยโทษอัลลอฮ์ี่เยอะป็นเห็นโอ้โหบางคนบอกว่าเขาเล่ให้เขาแบบนี้โทรมาถามในการก็มีเนี่ยเขาเล่ให้เขาแบบนี้ เหมือนัว่าโทษความผิดเ่ยโยงไปหาอลอสทั้งหมดคือจะอะไรเขาติดยาอลอสเข้าแบบคือที่โทษโทษใคระโทษอลสุภาาอ่ะใช่ครับอนุมัติของอลส์คือทางนาแต่ไม่ได้หมายวเอาอล์ปิดกั้นอลส์ไม่ไม่ให้ใครคนหนึ่งจะไม่ไม่ได้รับการนระลาด์เปิดว่าแต่เนื่องจากความจิยธรรมของอลส์เนี่ยฟันชาฟันยุบมีะบัญชาสักอยใครต้องการศรัทธาก็จงศรัทธา ใครต้องปฏิเสธตงปฏิเสธคือความความยุติธรรมความแฟนะเอาว่าจะไม่ยังเยี่ยมว่าคุณต้องสะานฟ์ที่เขาอยากปฏิเสธว่าคุณต้องปฏิเสธแต่ได้ยสะานเช่นกันแสดงว่าเราปล่อยคือเสรีภาพจริงๆนี่คือสสลาจึงเร้ที่ปอนดิราฟ่มีการบังคับเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเออ ในการที่จะเลือกและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือกนั้นนะครับบีอิฟนีโรบีมนั่นี่คือความหลายเพราะว่าด้วยกับอนุมัติของพระเจ้าของพวกเขาแต่สําหรับคนที่ได้รับทางดําเนี่ยเราจึเข้าใจว่าที่ได้รับทางดําเนี่ยเนื่องจากมรรคเนี่ยให้อันนี้ใช่แต่เมื่อเรามีคนหนึ่งเขาไม่ได้รับทางดับเนี่ยจะโทษกับไปหาล้อสุภาหานราไม่ได้หรือคนที่รับทความผิดเจะโทษล้อไม่ได้แต่คนที่ได้รับทางดําเนี่ยจำเป็นต้องขอบคุณต่อล้อสุบาหานะหัว บีอิทธ์เนโรบิฮิมอีลานี่เป็นการอ่นอีกทีหนึ่งอิลานูรเนี่ยไปสู่อันูรก็คือแสงสว่างใช่หมแสงสว่างนี่คืออะไรครับอลาซีรอติลอัลีซิลฮามีไปสู่หนทานซีรอกุราะเนี่ยจะเคุราะนี่คือสุรรรมสุดสัจนี่ใช่ไหมซีรอซีรอหนึ่งใ้อัลอาซีสอัลฮามีขคงผู้ที่อัลอาซีสเนี่ยแปลว่า พผู้เดชานุภาพอัลกอลิทก็คือผู้ไม่มีใครจะเหนื อ, อกว่า Al iz, อัลอัลอาซิสอัลฮมีตแปลว่าผู้เด้รับการเสริเสริ์เชอับดุลรมบัตอัสซาดีนะเป็นเอ่อเป็นอาจารย์ของเชฟอุซยมีนที่เอุซัยมีนท่านได้เขียนเอ่อมีหนังสือตำซีนของท่านเล่มนึงเนี่ยท่านบอกความหมายว่าทำไมต้องใช้คาว่ า, Al iz, าอลัลอาซิสอัลฮานามขอร้อเนี่ยตอนท้ายของแต่ละอายมีความหมายไม่ใช่ว่าสเปก ส, สปานนะ อยู่ที่การใช้คนตัวนนกด้ว่า ค, ความหมายอะไรไม่เข้าใจคือเข้าใจความหมายว่าอันอาซิสคืออะไรก็มีความหมายกำแปลจะไปเปิวกำแปลได้แต่ทำไมต้องอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยมีเหตุผลเลยครับมีเหตุผลไม่ใช่ว่าจะขึ้นตรงไหนลงตรงหไหนก็ได้นะทำไมต้องเป็นอีลาซิรอดินอาซิสซิลฮามิทํำไมไม่เป็นนางอื่นทำไม เ, เป็นอีลาซิรอดีนรอฮมาลีลรอฮีทำไม มีเหตุผลเช็กซ่าที่ได้บอกว่าเนื่องจากอาซีสเนี่ยความหมายนะความหมายหนึง่งคือมาจากคาว่าอาซาอิซา อ, า อ, าอาิซลว่าเกียฮามิ่ก็มาถึงคำถึงแต่ว่าการสรรเสริญหรือแบบอะไรได้รับการสรรเสริญกล่าวคือผู้ที่อยู่ในขนทางของเราปฏิบัติตามอัลกุรอานเะนี่ยคือคนที่มีเกียรติกล่าวคือจะอยู่ในขนทางของพระเจ้าที่มีเกียรติสูงส่ง แต่นั้นผู้ที่อยู่ในบนทางนี้จึงเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและสูงส่งและเช่นกันอัลฮามิสเป็นผู้ที่จะได้รับการสรนเส ร, ริญจะเอาร้องสุภาพะมาตัวนะผู้ที่สรนเสริญหรือผู้ที่ได้รับการสันเสริญก็คื อ, อร้องสุภานะวาตัวนะพอเราเห็นอ๋อและมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกอยากจะอยู่ไหมหนทางอ๋ออยากจะอยู่สวีทครับ เพรคนเนี่ยจริงๆแล้วคนเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยต้องการอะไรก็ต้องก า, ารเกียรตินะเอาตัวอยา่างง่ายๆว่ามีใครมาว่าเราเราชอบไหยไม่ชอบคือว่าจะว่าอย่งไรก็ตามถึงแม้บอกว่าฉันรับได้แต่จริงก็ไม่ชอบเพาะเราสั้างมาคนต้องการเกียรติแต่บางครั้งเนี่ยเราไปหาเกียรติในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดที่ผิดทางอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะบอกต้องการเกียรติใช่ไหมปฏิบัติตามอันกุรอาน รอัลกุรอานคืออิลลซิรอติลอาซิซิลฮานิเป็นหนทางที่จะไปสู่ผู้มีเกียรติดังนั้นอย่าวลิลลาฮิลอิซซาอัลลอฮเนี่ยเป็ผู้อิซซาเป็นผู้มีเกียรติอิซซาอยลิลมุบมิอย่ลิิลิลมุมินีอัลลอฮเนี่ยมีอิซซเกียรติรสของโรงเนี่ยมีเกียรติอยลิลมุมินมุมินก็มีเกียรติมีเกียราอะไรกันรมีเกียรติเพราะเป็นรสนของอัลลอ เราดูทูตทูตประเทศอะไรครับอาจจะดูทูต น, นะจะให้เกียรตนะิทูตประเทศนั้นระดับทูตประเทศเนี่ยพิเศษปะทำไม อ, อ่ะครับอ๋อเพราะตวเองทูต ป, ป, ประเทศนี้ไม่อยู่ที่ตัวคนเพียงเดียวใช่ไหเพราะว่าเป็นทูตประเทศนี้รนรนรนนรเราซูตเนี่ยก็ว่าทูตเหมือนกันเราทูเราทูดูว่าทูตเขาเกียรติเช่นกันผู้ศรัทธาวลีมุมินีคนที่ศรัทธาเราหรือคนที่อยู่ในแนวทางนี้เนะี่ยก็จะมีเกียรติทไมฮะ ทำไมถึงผู้สัตารมีเกริพราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮาฮะอัวลอฮอัลาอิลาซิรานิลลอซีซิลฮะนี่ไปสู่ทาของเราผู้มีเกียรติและผู้ได้รับการาเสรเสรและเราดะรับการเสเสรเช่นกันให้อยู่ในอ๊อกให้บรรดาสัพพสิ่งต่างตใช่ไหมเสัเสรใครครับคนที่ได้รับคำนำผู้อาญเนี่ยปฏิบัติตามผุ้อาญผู้อาญเนี่ยฟาละมูอันละมาอูซิลเบียร์นัคือลักูความรู้ และคนที่ได้รับความรู้จากอันุรายจะเป็นส่วนเล็กหรือเป็นส่วนน้อยหรือเป็นมากจำนวนมากนะคะรับล้วนแล้วแต่ได้รับอะไรครับได้รับการขอทูอ้าขอพรจากสัตว์ต่างๆที่น้เงไม่ยอมพอเคยยิ้มยิ้มใช่ไหมแม้แต่ปลาในท้องทะเลแม้แต่มดในอูก็สรรเสริญบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ว่ามีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ยุ่งยากต้อุสรรพานหัวตลจนะครับ แต่นั่นเป็นผู้ที่รัการสรรเสริญและก็เป็นผู้ที่มีเกียรติอยู่ในบททางของล้อนะครับแลนะใครล้อลอธิบายตอเนี้เหนะ็นไหมอาร์ซิสต์มีความหมายเยอะนะผมไปดูบทความเขเขียนเยอะอ่านไม่หมดเขเขียนเยอะา่ากอาร์ซิสต์คือคอะไรให ย, ยาวนไม่หมดน้ำขอว่าก็คื อ, ค ว, มมยอยความหมายเยอะมากนะแต่นเสนอแค่ส่วนนึงเท่านีเมีความสามารถจะรู้ได้ อ, ไอะไรฮามดก็มีความหมาย แล้วที่ไปต่อท ال ี و و ่มีญี่ปุ่นอือัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครคือสิรัดอัน عز ิสอัลฮามิอัลลอฮ์ก็คือเขาคืทางของอัลลอฮ์อัลลอฮิลลอัลลอฮ์คือูดที่ละูมาในส ما วะติวมาในอัลร์วัวยลุลลิลคาฟิรีนมิ่งะดาบิชัดิดอัลลอฮ์คือูอัน عز ิสอัลฮามิอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์คือูที่ละู ละมูเนี่ยในภาษาอังกฤษถ้าเป็นเขาเรียกว่ายาร์บัจิรุนะเดิมเนี่ก็คือจะใช้คําว่าอัสมาวะเอ่อมาฟิสตมาวะาติวามาฟิลอา ล, ลิลาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าตั้งๆและสิ่งที่ใลแผ่นดนินเป็นกรรมสิทธิ์ของเราบุรุษบอกว่าถ้าเป็นจานวนแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าสมมุติว่ า, วาเราอยู่ในห้องนะห้องของเราเลยนะห้องเราเป็นนักศึกษาอยู่ในห้องเนี่ยเรามีเพื่อน เอ่อรเมใช่ไหมนะเขาเรียอันนี้ห้องห้องนี้ห้องใครผมเป็นเจ้าของห้องนี้ถ้าพูดแบบนี้นะครับแสดงว่าถูกถูกไหมครับถูกเราเป็นเจ้าของจริงแต่แเพื่อนอีกคนบอกว่าเออผมเป็นเจ้าของห้องนี้เหมือนกันพูดถูกไหมครับก็พูดถูกเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนสองคนสามคนกะไแล้วแต่แสดงว่าผมเป็นเจ้าของห้องนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนวนึ่ง ต่ถ้าเราบอกว่าห้องนี้ของผมคือเรื่องห้องนี้ก่อนห้องนี้ของผมเท่านั้นนี่คือสัมวนณในอักุราที่เราใช้ัำว่าลาหูเนี่ยนี่คือและที่ลอชเนี่ยที่ลอลอะในสัมโในภาษาอังกกลับกันที่ตผมไม่ไม่ในภาษาไทยเขาจะะเอียดแบบนี้หรือเ่าแต่พราะว่าลาูและที่ลอชละอชหมาว่าแที่ลอเท่านั้นมาฟิสส์สาวที่วมาฟิลอ สิ่งที่อยู่ในช้นฟ้าข้างหน้และสิ่งที่เวู่ในี้่นดินเป็นของเท่านั้นเวลาที่แบ่งดูนะครับแบบนั้ซึ่งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าั้างหน้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดนินเป็นของพรงแต่แท้แปลว่าเท่านั้นด้วยมันก็คือมันก็คือเขาว่าลาภูอยู่ข้างหน้านะลาบูมาพิศมาวาที่ว่ามาคืออัตตานี่ก็มาขยายขยายว่าผลทางนี้เนี่ยเราต้องการเขียนใช่ไหมครับเราต้องการทําเชิญชวนเปิดคำสรรเสริญใช่ไหมครับเราต้องการไหมครับ ยก็ต้องการการครอบครองต้องการอยากจะได้อะไรแล้วจะทำไงฮะก็กลับไปหาเอาตนาะมันมนุษย์ี่ต้องการมันไม่หลีกจานี้ใช่ฮะต้องการเกียดต้องการทําโชมเชยใช่หฮะต้องการอะไรฮะต้องการครอบครองันครอบครองนี้แล้วจะไปไหนฮะมีมีหนทางหนทางดียวทีอะไดทั้งหมดดูคนปัจจุบันนี้ที่กำลังบางทีแก่แย่งชิงดีอะไรกันสักอย่าง เขาต้องการแบบนี้ต้องการอยากจะได้ไปสู่จุดนั้นจุดนี้คนนั้นชมเชยคนนี้ยกย่องใช่ไหยหรือต้องการครอบครองทรัพย์สินหึ่งทรัพย์สินได้มนุษย์ประการแบบนี้อัลลอฮ์ุบฮานุลตะระบุว่าแคต้องการจริงๆเนี่ยกลับสู่หนทางของอันกุร่าเพราะนี่คือวิธีการที่จะได้ครอบครองเนื่องจากว่าเราเนี่ยยิงกลับไปหาอัลลอฮ์อัลฮมดแล้วอัลลอฮลดีลมะฟิสสมวะต์แะมะฟิล้ร ถ้าต้องการเหล่านี้ทั้งหมดและมีใครไม่ต้องการบ้างในโลกนี้ทุกคนก็รู้ต้องการที่สิ้ น, นะครับวาไวรุนแต่ว่าอนั้นะอันนี้เราก็เปลี่ยนเข<อ>าเรียกว่าการนาเสนอในพุรธานเป็นการนาเสนอแบบว่าไม่เบื่อคือนำเสนอเสร็จปุ๊บเราก็ตัดมาเหมเือนมีอาจารย์ของท่านึงเขาบอกว่าอะไรพุทธานเนี่ย เ, เหมือนกับเนี่ย ภาพยนตร์นี้แต่จริงๆผมจะบอกว่าภาพยนตร์น่าจะเอาจากคุรุาสมากกว่าเหมือนกับพระพิพนาบินใช่ไหมฮะบวงกับเนี่ยเขาบอกว่าได้ครับได้รับคำแนะนาจากเชคว่าคุรอานนี่นคือตัดไปตัดแล้วมันทาให้ดูไงไม่เบื่อดูถึงเต้นนะดูเนะี่ยกลังพูดถึงอำนาจขอรองกำลังลพูดถึหเหมือนาเหตุทั้งคุรุาสแต่เราก็ตัด ม, มาพูดไปเลยบอกว่าอยู่ไทย น, นะทให้เราต้องสนุกเมือไทย น, นะ เอาว้ลุลิกาฟิร so ิจจุประสบแต่ปรดาฮุปดิเซมินอาดาบินชดีดฮะยานาที่ว่านี้ก็คือานอะไรอัแห่งการลงโทษชดีดคือรุนแรงจงประสบแบบไหนครับฮางการกิริเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิครับเรากำลังพูดถึงความโปรดปรานของลอสุบฮานหวทานพูดถึงหนทางของลที่เป็นไงะอันนูราใช่ไหมอันซลุบัตคือมืด อ น, นุลคือสวา่างและลยะูฮานกาลาการคืนเนี่ยผมไม่น่าจะเป็นฮะดิษหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นฮะดิษและลยะูฮานกาลาเนี่คือความชัดของอังกุรานะกลางคืนเนี่ยเหมือนกับกลางวันเข้าใจคือการการเปรียบเทียบเนี่ยคือความชัดเนี่ยกลางคืนที่ว่ามืดเนี่ยเหมือนกับกลางวันก็ ค, คือชัดเจนมากไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นคนที่ปฏิเสธ ขอที่สั่ปฏิเสธอะไรฮะรีวไวรูรกาฟินกาฟินมาจะกัำว่ากาฟารอะกาฟารอนแปลว่าปกปิดก็ต่อการปกปิดเอาความเขาปกปิดความรู้นี่คือกาฟารอนปฏิเสธหรือเอาเอาการปฏิเสธเนี่ยมาปกปิดอะไรฮะปกปิดความศรัทธาเอาความมืดมาปกปิด ฟังสว่างมีการฟืนจริๆแล้วคาว่าการฟืนดีเนี่ยก็คือการฟะรอใช่ไหมฮในภาษาอังกฤษเนี es, <ed> <Amen> ่ยถ้าเราจะให้เป็นคำชัดว่าปกปิดคือปกปิดเหมือนกับกระึระหนึนมองไม่เห็นการฟรอภาษาอังกฤษก็ใช้คานี้นะคำว่าอะไรอะไรที่แปลว่าปกปิดและคล้ายกับคาว่าการฟะารัอเนี่ยใช่แปลว่าครอบคุมปกปิด ก็ต่ออะไรใช่รถต่อโฮปเวอรี่ภาษานะไรมาจากภาษาอาหรับกาฟาร์บอกไว้ทลการีดการนี่ยืออคือปกปิดปกปิดสติปัญญาของเรียนปกปิด s ุ้มมุมบุกมนเออยู่อเป็นใบหูหนวดไม่มองคือเ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่ลอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า่าอ่า่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า่าอ่อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่่าอาอ่า่าอ่อ่า่าอ สุดยรดแต่แล้เนี่นยเอาไวา้ดูๆก็เป็นใครนะชมพศแกั บ, บรรดาคนที่ปกปิดปกปิดอะไรปกปิดตัวเองไม่ได้ปกปิดใครมีลาเราบิชนชาดีการลงโทษอันหนักหน่วงใช่รับชัยวภาษาฮัทนะนด่ที่แปลว่ารุนแรงแปลว่าสาหัสนะใครแหละก็อธิบายต่อใครแหะที่บรรดาพูดปฏิเสธจรือ ด, ดีคือขึ้นมาไปรับผู้ปฏิเสธ เอาอธิบายอันละนะี่ะโอ้โหเราจะเห็นว่าแล้วแล้วแล้วเราจะกลับมาดูนะครับว่าเราเนี่ยใช่หรือเปล่าหรือมีลักษณะหรือเปล่าเช็คเ ท, าาเ ท, าานะท่าสั่ร้ทซาสัะาเคยพูดถึง อ, อ่าเรีมลูกเบีย้ยไม่ใช่คนทางพูดที่ถูกกีวอย่าพูดใช่หมวันเริ่าตอนริแล้วไม่ใช่คนทางพูดที่หลงผิดท่านได้บอกบอกว่าด้่ยเราอ่าน อ, อ, อาย น, นี้แล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าอ๋อไม่ใช่เราอ๋อ โอมุตูเบียมตาน บ, บีบอกเัเจนมฮะอัลตอลิกก็คือนาซาร อ, อ, อเราคือมุสลิมซีรอดตัอมีตะกีใช่นะเราเป็นมุสลิมอยู่ในวนทางที่ที่ถูกแต่อายาไลให้ใรอ่านนะเราอา่านกล่าวคือเอาลัลตัดเตือนเราทุกครั้งเนี่ยที่เราอ่านนะว่าระวังนะอย่าเป็นเหมือนบุคคลเหล่านี้ราวานะวังะอาจจะมีลักษณะใ ส, ส, สของบุเรา ม, มีหรือเปล่าลาักษณะแบบโุบียมูออตอลัลอล แล้วบุคคลล่านี้จะเป็นผู้ปฏิเสธผู้หลงทางผู้ถูกคลิบอย่างชัดเจนก็ตามเช่นเดียวกันเราบอกโอ้ยคลกาเฟนโอ้กาเฟนสบัยเราไม่ได้ถูกสาดแช่งใช่ไหมทำอย่างใช่ครับเราไม่ถูกสาดแชเราไม่เป็นผู้ปฏิเสธแต่เราต้องกลับมาดูว่าท่านทำไมรอดสาดแช่งบุคคลเหล่านี้เขามีอะไรเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างคล้ายคลึงกับลักษณะของพวกเขาหรือเปล่าลักษณะอะไร الذ الح ا أ ال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبون عواجا أولئك في طلاب بعيد الكافرين و غ ي الكافرين ใครเ ا ็นกับใครอ้ออธิบาย ย ah ja. ah ah าสตฮิูนยตดุนยายสตาฮิบูนี่แปลว่าะไะมุสตาฮับแปลว่าส่งเสริมมันจะคำว่ฮับบะนฮับบะปลว่าชอบแต่ปลว่าชอบมได้อนี้ก็คือคือสิ่งที่เป็นมุสตฮับนี่คือสิ่งอะไรฮะสิ่งที่เป็นมุสตฮับที่ี่ส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่อาสา ท, ทำดีไม่ทำก็ไม่ปนไคนที่ทำสิ่งที่ส่งเสริมนี่คือทำแบบไหนนะทำแบบอาสาไม่ได้ถูกบังคับถูกไหมฮะ ก็คือเลือด้วยกับตัวเขาเองเลือกเองเช่นกันครับยะสแตยบูนไทยาตุนยาหมายความว่าพวกเขาเนี่ยเลือกคือพอจะเลือกชีวิตในดุญญนยาด้วยกับตัวเขาเองอิสตักบ้าบูมุสตระคือการสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทั่ทงังทส่งเสริมให้กระทั่เก่าคือไม่ได้เป็นวายิปไม่ได้ถูกบังคับก็คือเขาเลือกเอง หลักศ า, าสนาทำไมบังคับหรือเปล่าศาสนาไม่ได้บงบแต่ฉัเลือกสมัครใจใหญ่ทำความดีนี่เช่นกันเลือกเองที่เลือกให้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเหนือกว่าอาเลราคิโรเหนือปะลโลกเหนือโลกหน้าทั้งที่วันละอาคิโรตูคอยรู้อบอิ่ทั้งที่โลกหน้าเนี่ยประเสริฐกว่าและยังหยุดกว่าอุลามาเขาเคยยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าเหมือนกับชา จานมีจานมีมี ม, มีจานหชาสองใบอันหนึ่งเนี่ยจานที่แบบว่าแตกง่ายไม่ทนของไม่ดีแล้วก็ให้ยืมใช้แค่สองชั่วโมงสมมตินะเดี๋ยวเรามาเข้เป็นเทียบสมัยก่อนเป็นเป็นชาเป็นจานใช่อ่ะคุณจะเลือกเอาเอ า, าชามไหนชาหนึ่งก็คือใช้ไปสองชั่วโมงแบบของแบบบ่วยของไม่ดีเอาไปใช้สองชั่วโมง อีกชาติมีของดีแต่หลังจากสองชั่วโมงนี้นะฮะสองชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ใช้หมดสองชั่วโมงนี้ก่อนไฟของดีแล้วเอาไปตลอดเลยคนส่วนใหญ่เลือกอะไก็ต้องเลือกถ้ามองมองแบบว่าภาพใช้เขาต้องเลือกของอยู่ตลอดและของดีกว่าดีกว่าแล้วก็ใช้ไปตลอดเลยแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกอะไรเลือกการที่ป่วยแล้วก็ของไม่ดีแล้วก็ใช้แป๊บเดียว นี่แหละเขาเปรียบเทียบกับชีวิตในดุงยากับชีวิตในโลกนะ่ะชีวิตในดุงยาเน่คือไม่ปฏิเสธว่าไม่ดีเลยนะเรลบอกมันเจ้ามันแเป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นมัตแทอุบูรุความสุขที่จับฟองแชว่ความสุขที่ชั่วคราวแต่ในโลกนั้นเปนความสุขที่ถาวรถูกไหมครับดันั้นเนี่ยคนถ้าคือมันมองแบบว่า มันไม่ทางที่จะมองหรือว่าถูกรุญญาหลอกหรือว่าถูกชายตอวล่าดูใชก็จะเลือกเอารุญญาเป็นเป้าหมายหรือเรื่องรุ่นยาให้มีความสําคัญกับจุดยามากกว่าตรงไหนแต่ประด็นนี้เราจะจะลงรายละเอียดนิดนึงนะไม่ได้ไายความว่าอิสลามเนี่ยให้ปฏิเสธรุญญาเลยถ้าสมมติอุศิรวมตัวกันอีกมุมนะรวมตัวกันบอกรุญญาเอาพอรู้แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธเขาเลือกรุญญาแสดงว่าเราในเรื่องอาร์ริโ อย่างเดียวเขาปล่อยดุจยาและให้ดุจยาดุจยาเราก็ต้องไปยูว่าตอนที่เราให้ในบียร์ลามาเนี่ยลงมาใ น, านสภาพที่ไหนคอรีฟาตุลลอห์ฟิอารติบนแผ่นดินบนโลกนี้คอลีฟาเป็นตัวแทนน่นสแสดงว่าดุจยานี้เนี่เราก็ทิ้งไม่ได้เราจะปล่อยให้ผู้สร้างความเสื่อมเสียบนโลกนี้เนี่ยปกครองดูแลไม่ได้ ในทฤษฎีข อ, ข, อของในหลวงเลยใช่ไหมว่าให้คนดีปกครอ ง, องป็นสอดคลองกับการ伊斯兰ชัดเจนทาไมฮะเราบอกว่าคนดีคนเดียวอยู่ในมันสยิดอย่างเดียวคนดีไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกการเมืองการบริหารเนี่โอ้ของคนชาวดุนยาเท่านั้นเข้าใจขั้ขึ้นมากรุนแรงมากใช่ครับอลัลลอฮฺสุบฮานวะลาตันนี่คนที่ให้ดุนยาชีวิตในดุนยาเนื้อกว่าอะไรเนาใช่ แต่ไม่ไไม่เคยบอกนะฮะว่าให้ทิ้งดูอย่างแตกอายะในสุรานข้อสองที่อัลลอฮ์บอกไวสว่าวาเล่นนาซบกะินาจิาลืมยาลืมส่วนของท่านในมุญยาดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องนะมีผมแปลไวในหนังสือทางสายการศึกษาคูเช็คเช็คเซเอเซนนี่ยท่านได้อธิบายเซออริมเซอธิบายว้ผมชัดเจน่าในหนังสือจากอาจารย์เซอนุ่งลับไปหสืที่ดีมาก อธิบายว่าดุนยาเราอย่งไมสุตสองฝั่สุตังนึงก็คือเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวชีวิตนี้มีแต่ดุนยานแบบที่เรานี้คนกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงก็คือดุนยาที่ไม่มีอะไรทาในโลกได้เดียวนี่ก็ถกตินี้เหมือนกันนะในโบราณวรวรรบานียาตันิวรรรบานียาตันิปฏเดาอุหัรวบานียาคือการครองตนเป็นโสตเราบอกอิมตเดาอุหั ประดิษฐ์ขึนมาเองเป็นบิดาถ้าเช็คจะาเช็คัญญาเช็คก็จะบอกว่าเนี่ยการคลองตนเป็นส่วเป็นเป็นบิดาบดาคนที่ยังคลองตนเป็นส่วนทหมต้องอแต่งานเพราะนี่เป็นบิดาเคยมีแผมเป็นบิดาไหมครับไม่อกนะบิดาเพราะว่านี่ยิมันจะเราครับแนบีอาริสุนนบาิก็บอกคนที่บอกว่าฉันจะละอาาจิรุมนิสาฉันออกาจะพูง ฝับบง่งเราเห็นปัญหาสุดท้ายที่เกลีย์สุนทรของฉันบาลายสมินเนีเ่ยไม่เล่นดาวโต๊ะห้าของสุนทรอะไรสุ น, นรทรกับพิษนะนั้นเป็นปัญหาใช่ไหมฮะเดีพูดแันนี้มันจะได้รู้สึกว่าเออมันต้องมีใครเวามไปแต่แงงานก็แบบนี้เหมือนกันนะเราต้องมีคนกระตุน้นเราเมื่อสิ่งเมื่อ่จะไปทีเครื่องนไม่ไม่เดือนรีเรียนบ่งทีก็ เ, <S <S เรียนทีก็เรียนจบก็ทไมะเรียนต่ออีก เ๋ยต่อทำไมครับทน้านีกเลยอะต่อครับสร้างที่มันบกมันก็ไปเรื่อยแต่เป็นบิดา <c oughs> สุดท้ายแล้วไม่คือเป็นเป็ น, นไม่ถูกเขาบอกว่าเออลุกมหลงในรุ่องญาอันนี้ก็ผิดนะฮะเรื่องของผู้หญิงก็มีคนเอาแต่ลงหลงแต่ใ น, ใน เ, ออเรื่องกามารมสัตว่างๆี้มันไม่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวเลยไม่เอาและลุ่มนญ้านี้ก็ผิด ทีู่กต้อคืออะไรครับถูกต้อคือสายกลางสายกลางหรกล่าวคือให้อาร์ครอบเป็นต้นหมายได้ดีกว่าแต่ไม่ลืมดึงดันว่ามันเป็นมองเป็นมุมอมองที่สุดยอดเพราะอะไรครับอิสระเป็นแนวสอนพราอกับธรรมชาติเพราะอะไรเพราะธรรมชาติาะะาะานะไม่มีใครจะอยู่ในดินแดตลอดกาลไหมไหมนะไม่มีใครอยู่ในดินแดนแล้วไม่ตายไม่ไม่มีแสดงว่า เพราะจริงนี้มนุษย์ต้องเสียชีวิตต้องตายนะฮะปฏิเสธกลุ่มนี้ที่ยิดแต่ดุนยาถ้าใช่และเช่นกันไม่มีใครที่จะก้าวสู่อารรได้นอกจากต้องผ่านดุนยา <c oughs> แต่ล่นะ <c oughs> พอาะจริงนี้เนี่ยเราบอกจะไปก้าวสู่อาริโรเดี๋จะไปโลกน่นแะล้วคุณจะไปยังไงครับ <c oughs> มีประตูบานไหนที่จะไปโลกน้านอกจากดุนยา <c oughs> มีไหมครับใครมีทางที่เดียววันเียดุนยานี้จะไปโลกน้ <c oughs> ไม่มีอลมอลออนุญาตนะฮะ ถูกไหมครับาจะต้อ ง, อตงผ่านลุญญาโอเคอาจจะมีในคันธรดาเซีชีวิตก็ถือว่าอยู่ในส่วนของดุญยาแล้วดางนั้นแต่ใครจะไปอาคะนะิรอนมีเส้นทางเดียวดุญยาดงนั้นดแตุ่ ญ, ญายาจะทิ้งด้ไหมลุญยาทิ้งไม่ได้เราจึงสั่งห้ามเลยนะวลาตันงศกนาซีเเก็บมินับดุญยาอย่าลืมจะให้โลกหน้านก่อนนะแต่เราลนะุญอย่าลืมล น, น ะ, นะนนอย่าลืมล้หน้านะชอยลืมุญยานะ โลกหนนี่ยันก็ไม่ลืมมีโลกหน้าเป็นเป้าหมายมันคือชีวิตของเราที่ถาวรคอยดูดูอุปกรณดีกว่าแล้วก็ยังดีกว่าในยุบปั่นศาสนาคติใหม่คือบอกว่าอะยะลเราบอกคือเปล่ยมุมมองใหม่และชีวิตเนี่ยมันจะมีมันจะมีความสนุกสนุกไม่ได้หมายถึงว่ามันไร้ขอบเขตคือมันมีความตื่นเต้นมัโลกหน้ามีจริงนะฮะมีความสุขใดก็ตามในโลกนี้เนี่ยตระหนักเสมอว่าในโลกนี้ดีกว่านี้มีความทุกข์ใดในโลกนี้เนี่ยก็ตระหนักว่ามันมี ความทุกข์ในโลกนีาเดี๋ยวรุนแรงกว่านี้มันจะบรรเทาครเช่นกันมีความสุขอะไรมีมั่นสุขในโลกนี้มากกว่ามันก็จะบรรเทาความสุขความทุกข์มันก็จะบรรเทามันจะไม่เว่อเกินไปนะนั่นคือเนี่ยทางสายการอึกษาช่วยให้เรามีความสมดุลไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเลยเราไปมีความสุขในโลกนี้ใครบอกนะระสุภาหานุวาตาได้บอกเอ่อมันน่อามีนซอลิฮันบินซะเกลินเอาอุใครก็ตามทกงานที่ดีนจะเป็นชายหรือเป็นหญิง ว่าว่ามุมินุนเลยดีงั้ไถว่าต้องเป็นผู้ศรัทธาฟะลนวะฮียันน์หูฮัยยตันติบะเราใช้เขามีชีวิตในโลกนีานะฮัยยตัชีวิตที่ไมะดีแต่ชีวิตในโลกนี้ดีแสดงว่าดีทั้งสองโลกแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยดีในโลกไม่แต่ดีเนี่ยไม่ได้หมายวาม่าต้องมีอะไรทุกอย่างครับันที่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาชีวิตไม่ดีก็มีมีไหมฮะมีก็เยอะ หรือคนที่ขาดอะไรบ้างแต่ชีวิตดีมีไหมครับก็เยอะเหมือนกันชีวิตดีมันอยู่ที่แหละมันอยู่ที่มุมมองหรือทัศนคติเราต้องปรับเราต้องปรับมุมมองหรือทัศนคตินปรับจากกันผรายไม่ใช่จากที่อื่นนะรับจากกุราทัศนิที่ถูกต้องมุมมองที่เาสุภาษณ์ในวาให้มองในก่มุมมองที่ถูกต้อง และในโลกหน้าก็ตอบแทนดีงามที่สุดแสดงว่าชีวิตคนที่ปฏิบัติอามันซอแล้ศรัทธาต่อเนาะชีวิตในโลกนี้ดีในโลกหน้าครับก็ดีถกไหมฮะอย่างเช่นใช้คุรรณอิสลามตัวเมียดีนี่บอกบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์นในโลกนต้องนอกจากก็เข้าสวรรค์นในโลกนี้ก่อนจะ ม, <c oughs> มีความสุขในการ อ, อยู่ในขั้นล็อกอยู่ในแนวทางของลอสุภารทัง แต่เวลาผู Then, <walker? S 1> ้ปฏิเสธเนี a ่ยคนเลือกเลืกผิดเนี่ยชีวิตในดุนยาอะไรเลยนที่ว่เนี่ยที่วมีคือหนึ États ่งนะหลงนะหลงไหมหลงในดุนยาหลงมาใจเขาว่าหลงหลงนี่คืออะไรครับหาทางออกไม่ได้ใช่เขาว่าหลงหลงคือไปผิทางนึงนะีกความหมายของหลงปากนี่คืออะไรหาทางออกจากปากไม่ได้เนี่ยคนหลงดุนยาเลยครับหาทางออกจากดุนยาไม่ได้ แมายควว่าคือคำไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ออกแต่เขาจะออกแต่เขาคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะออกจากดุงยาอย่างไรนนั้นเองคือนี่คือคนที่หลงทางเราจะบอกตอนท้ายนะว่าพวกนี้คือคนคนที่หลงทางไกลหลงทางพราะเรื่องดวงยาลงในดวงยาทั้น ท, ที่ชีวิตเขาจะมีไปโลกอั้นเขาไม่คือเขาเนี่ยต้องตายนะแต่เขาเลือกไม่เอาคนยิงไหคือจะไปโลกนัอนนี่ไปอย่างนีน้นี่คือหลงเไม่ อ, อ ไม่มี GPS นะวยศุดดูนะอันสบีลิลาแล้วไม่ไม่เหมือนเราอ ย, ย่างเดียวเป็นหลับนะและยศุ ด, ดู น, น, ดขนขัขัดขวางอันสนิทขนทางขอขัดขวางยศุดดูนั้นนาสุนมารีไปขัดขวางผู้คนออกจากบนทางขอทั้งที่บนทางขอต้องมีหนทางที่ดีตัวเองเนี่ยได้ขอไม่ดีไปแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าหลงอยู่นี่และขัดขวางคนจะไม่สวนทางที่นีขัดขว า, าง นี่คือคนที่เลวร้วายที่สุดสองเด็กสองตอหนึ่งก็คือตัวเองแย่แล้วเหมือนคนที่สุปป่มตุ่ยคนที่ติดยาตัวเองแย่แล้วให้รู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นก็ยังยังพอเข้าใจยังพอเห็นใจหน่อยใช่ไหมแต่นี่ตัวเองแย่แล้วหรอฉันแย่คนอื่นบอกว่าจะเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีเป็นบริสุดดูนาอัศจรรย์น่คนทางของที่เป็นคนทางที่ดีคนทางอะไรเขาบน่นบอกชันเจน คนตาแห่งเกียร์นแห่งผู the the ้มีเกียร์เนี่ยการได้รับการสนเสริญหการได้รับอะไรปัจจัยต่างๆที่เราจะเพิ่มพูนให้เนี่ยอย่างมากมายช่นเ้ยเวลาสุดดูลอันเสรไม่เพียงแค่นั้นประการที่33มสาอย่างเราก็ต้องดูเฮ้ยเรามีบ้างหรือเปล่าพอจะกลัาวมาเอ่เราปอยญากางครั้งมนก็อาจจะมีบางจังหวะเหมือนกันแมว่าจะไม่เอ่อไม่สมบูรณ์หรือเปเษเกับเวลาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ตามอยาสุดดูลสบละอาจจะมีหรือเปล่าขอองค์ทขอองโดยที่เราไม่ได้รู้ตัว วَญญาณประคَณนะฮะไอ้วิและปรารถนาให้มันทางนี้ก็คือแหละบนทางขอ้งเนี่ยให้มันคดเคี้ยวไอ้วิญญาแต่บางทีแลร์เนจายาหัว้วิญาณในส่ราะไรส่วนการพิมพ์นะอัลลอฮมุหมัาแล้เนจายาหัวไอ้วิญญาณมันไม่ทำให้มันเคี้ยวนะคดเคี้ยวแต่มีคนต้องการทำให้ทางคดเคี้ยวคดเคี้ยวคือดูเหมือนกับจะไม่ไม่ถูกต้องบางทีก็เอาพุ่น อะไรแต่ละข้อเคลือบแผลงสงสัยเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอันนี้คือคนทางคนเคียวเนี่ยในกุฎอา่านคือให้เราเห็นภาพชัดนะโหชัดมากชีวิตเรานีก็เหมือ น, น, อน ก, กับเซรัตตุนุสติกินคือคำตอบเวลาเราจะเข้าใจชีวิตยังไงก็เนี่ยแนวแนวแบบ้เข้าใจว่าอ๋อเซรัตตุนุสติ ก, กินใช่ไหมฮะคนชอบดุจยามากกว่าคือเขามาองไม่ทะนุ่ดุนยางก็ลงลงหลอย่างนี้เขาไม่หลงใช่หหลงก็วนอยู่ในดุจยาแขณะที่ชีวิตเขาในกำลังมุ่งหน้าไปอครัด้วย ใ, ใครับขัดวามค้นทางหมดเลยพูดทางผูดถึงทางนะเขาใจง่ายใช่ขัดวา้ทางตอนราคือแค่คนอยู่ในคามททอแล้วแระปรันาให้มันคตเคี้ยวก็เห็นภาพสาประการนี้สามบุคคลหรือสามลักษณะนี้เราบอกสรุปอูแลอกันเนี่ยดูดูอายนกราตอนผมอยู่ประการเรียนนะอญญาจารย์เขาจะบอกอายันเสียงเสียงเนี่ยเขาก็เป็นเสียงเป็นอะไรเป็นเป็นวัฒนศาสตร์กัน วิ pues Allah, ่งสุดต้น عن سبيل الله ويبعون عوجاء أولائك في ظلال بعيد ขว่าอุลัยคือเป็นการอูวะประมาณกุ่มคนกุ่มคนเหล่นคือเป็นการอวกเนี่ยไม่ใช่พวกนี้นไม่ใชพวกธดาที่เรากล่าวเลยจะเป็นการลากเสียงยาวมันจะได้ ซึ่ภาษานี่เป็นพูดอ่านอย่างเดียวใช่ไหมครับเราไม่ได้อ่านแบบนี้กับหลักการอ่านอื่นๆื่นอ่นคือวัชิกา้า น, นเสียงเหมือนกันอุลอ้ก่ะคนเรานี้เราไหมนะสามเราหนึ่งก็คือเลือกชีวิตในดุยญญามากกว่าอาคิรอันนี้มันผิดนะให้ดุยญญากันหน้าเรอลไม่ได้เพราะรมาก่อนสองก็คือขอทานขอแล้วก็ปัญหาให้มองทิศเหนือ กูไล่กาแฟตอนแรกรไบอยู่ในการลงทางไปพูดถึงการหลงทางนะหลงทางที่ไปอย่างไกลเข้าใจว่าหลงทางไกลใช่ไหมก็คือไม่ใกล้หลงทางไกลคือเข้าไปในป่ายยิ่งลึกก็ยิ่งเข้าไปยิ่งลึกก็ยิ่งเข้าไปยิ่งลึกก็ยิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งหลงยิ่งหลงยิ่งหลงได้ไหมนี่หลงทางตอนแรกริบไบเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเอาดุจยาเยอะมากกว่าหลงในดุจยาแล้วนะสองก็คือขัดขวางทางของ อลอขัดความก็ตัวเองแต่ยิ่งไม่ไปเข้าใกล้ก็ไปใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วสามก็คือปรารถนาให้มันโคตรเคี้ยวให้คนอื่นไปเห็นว่ามันคดรเคี้ยวตัวเองจะได้เห็นมันมาเที่ยงตรงไหครับไม่มีทางอูลานคะคนเล่านี้ฟีดบอลลีเปคือไกลไกลมากสุดกู่แล้วในสาลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของใครครับวอลเลยลลิตกาฟิลไฮานโต้สมเดบรรดาผู้ปฏิเสธมีอยู่ที่ เราบา ง, งหรือเปลาก็ต้องกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนนะครับและนีค่คือสภาพของหลงทางแสดงว่าบรรดาผูฟ้ากักาฟิลินเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่นั้นหลงทางอย่างอย่างไกลเขา้าเข้าใจตรงกันข้ามเราก็ทำสุดแล้วอยู่ในทาง ท, างที่ใกล้ส่วเราต้องสุิงสู่ททางที่ใกล้ก็คือทางทางรัดใช่ไหมทางใกล้สเราต้องมสูิศทางตรงไม่มีทางไหนจะใกล้กว่าทางตรงถูกไหมครับ เวเวลาพูดมันก็ดูเหมือนกับคำารรมดาธรรมดาแต่มันก็เราพูดกับคำธมดาไม่มีทางไหนจะใกล้กว่าทางตรงเนี่ยเราจำเนี่ยจะไปถูกประตันู้นนะมีมีทางไหนใกล้กว่าการเดินจากนี้ตรงไปนู้นเลยไหมนะไม่มีทางไหนใกล้กว่านี้แล้วถ้าไปทางนี้นะแต่จะเริ่มไกลจางอ่าใช่ไหมไม่มีทางไหนใกล้กว่าทางตรง นั้นเ ท, ท, ท, ทางทางซรัลตอนุสคือผลทางเที่ยงตรงคือมุม่งไปหาว่าอะไรใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็ง่ายงายที่สุดนะครับมนั้นก็พูดถึงแเนเวทางขอวัสุการบูราขข า, ขข า, ขขาถึงนั้นกุระกุระนี่จะนำนำทางไปสู่ผลทางทเที่ยงตรงเป็นแสงสว่างมนะีมี ม, มีสปอรตไลท์ให้ด้ ว, วย G P S ใช่หมฮะสมัยนี้มีนาทางทุกเรื่อง บอกทั้งหมดไปทางไหนระวังเรื่องอะไรดังนั้นเราไม่ให้กุฎารีนเดียวประการหนึ่งมาเราสู้ด้วยนี่ <Allah. S 2> ความเมตตาของล้อเนี่ยความเมตตาของล้อสุภารณ์วันตะลาไม่ใช่ว่ากุฎารแล้ว ก, ก็จบเล่าไปใช้เองไม่ให้เราทรงมาแนะนำหมู่บัญยินมาอาธิบายอย่างนี้นะครับ وَمَا رَسُولٍ قَوْمِهِ وَيَهْدِي وَهُوَ و أَرْسَلْنَا إِلَّا بِلِسَانِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَنْ يَشَاءُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ََ่ไมِไِ้ ไม่ใช่มาพิชมาแปลว่ามิได้อลเซลนาแต่ว่าเราส่งเรามิได้ส่งมิรอซูลินรอซูลท่านใดรอซูนแปลว่าเราซูนท่านนะมินเนี่ยเข้ามาที่ตะไบนี่คือส่วนในใจเราซูนก็คือแปลว่าเราสูนท่านใดไม่มีเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านในดเลยก็คือเป็นการเน้นว่าทุกรอซูนอัลล โซมาด้วยกับภาษาของกลุ่ชนนะฮะไม่เป็นสำนวนเลยสำนวนปฏิเสธเนี่ยมันจะเน้นเป็นการเน้นย้ำมากกว่าสำนวนบอกเล่าใชออ่ผมไม่เคยไปโรงเรียนนอกจากโดยเรือโดยสารทางเรือกลับบอกว่าผมไปโรงเรียนโดยสารทางเรือก็คือคือประโยคที่มันมันจะชัดเจนกว่าคือผมไม่เคยไปโรงเรียนนอกจากต้องโดยสารทางเรือ เราสุภาโนะแต้วเราไม่ได้ส่งรสุนทานใดนัานอกจากบิดีสันี่เขามีด้วยกับลีซานแปวะรครับแปลว่าลิน้นเพราะภาษานเนี่ยใช้ลิ้นใชดูคำว่ากุรานกุรานเาว่าภาษาเนี่ยคือลิน้นลีซันในภาอังนี่คือปีเป็นกองุสนะเใช้ว่าลีซันอะไรก็คือภาษาเราทำไมครับคนไม่ค น, ค น, คนจะพูดไม่ได้คือใครคนที่ไม่มีลิ้นเราไปดนะ นคือโบราเาใช้ใช้คาศัพท์จอทำให้เราเนี่ยเราเรื่องถึงความปฐก่กอนวะถุเอว่า ก, กันตรงๆนะหานะูกกอ่อ า, า็ในเนรีได้ใช้คําัพลูกให้เราตระหนักอ๋อคืองพูดได้ลิบลิภาษาไทยความปฐมก่อนในขน า, าดไหนอิลามีสันารลินของกลุ่มชนก็คือภาษาของกลุ่มชนพคนเนี่ยพูดได้แบบ ภาษาของกลุ่มชนนะแล้วพูดให้กับอินอิลลดิซนี้มีลิยุบายินะฮุมเพื่อเล็กอยู่บายินอธิบายอธิบายเราแก่พวกเขาอันนี้คือแหล่งนี่เป็นแหล่งข้อมูลเป็นระยะที่ผมมองว่าใช้กับครูบาอาจารย์ก็ได้หรือใช้กับกววารเดาว่ากัใช้กับอะไรในเยอะมา ก, กนะคือให้มีแหล่งแหล่งข้อมูลสําคัญและเป็นชีวิตของเราทั้งหมดอันนี้เป็นภานรกิจของอัสซุลละบออธิบายที วันนี้ทุกเรียนนะักผู้คออกจา ก, ออ ก, จากความงงๆหรือไม่ใช่ว่าสเปกสปานั้นมีที่มาที่ไปมีกระบวนการมีวิชาในที่บอกนี้เป็นวิชาที่แบบสูงมากอายัเดียวนั้นวิชาที่แบบว่ามหาศาลนเราไม่ได้ส่งหลอดสูทใครครับเราอัลลอฮ์แสดงว่าข้อมูลเนี่ยต้องมาจากอัลลอ์นี่ข้อมูลหลักในการดำเนินชีวิตใช่ไหมมาจากว่ามีหลอดูทอี ก, กแหล่ข้อมูลก็คือหอสูท อัลลเลราซูด <mister> ซ <ius> ึ er, wow. Allah, ่งเป็นแหล่งเดียวเแต่ว่าเราเจ้าจะแช้จากอัลเรารซูจากอาญาเนี่ยแหล่งข้อมูลนะครั่ได้ทเป็นช้าไม่ได้ทเป็นไรมาเอคืออาันะเราส่งอัลล์เป็นผู้ส่งแสงแหล่งแรกนีคือกิตารุ่งาทำพีขออัลลอ์รว่าหนที่อัลลอ์ุบฮานคือรอซูดจากราซูดขออัลล์นี่คือแหล่งข้อมูลทุกคนต้องใช้แหล่งนี้ในการดำเนินชีวิตอินหละถัดมามีแหล่งแล้วนะส่วนอื่นๆส่วนขยายเท่านั้นเองส่วนอื่นส่วนขยาย วิชาการต่างๆมาขยายอีกทีนึงแต่แก่นนะฮะแก่นเนี่ยต้องใช้เป็นอัลลอฮ์แล้วก็สุดอิลลัพิญิซอร์กอมีแล้วไม่ใช่ว่าเรามีบอกเรามีคือการู้ว่ามีสุนนะเรามีพุทธานมีฮานิสแล้วเนี่ยได้ ว, วิธีไหนก็ได้เมื่อต้องดูเราดใครพูดสัจธรรมใช่ไหมฮะไม่ อ, อัลลอฮ์จะส่งเราสูลมาเนี่ย อ, อลัลลดูใครครับทุกลุ่มชนเนี่ยเป็นวิชาการสอนได้เลยนะคือ ดูกันว่าใครเป็นผู้ฟังเป็นกลุ่มชนไหนใช้ภาษาอะไรเพราะเราเราไม่ได้โศกเราซุ่นแ่ไหต น, นอกจากดูใค ร, ครับดูกลุ่มชนเนี่ยด้วยกับภาษาเี่ตกเขาทำไมฮะถ้าใช้ภาษาไม่ถูกใช้เทคนิคไม่ไม่ดีเนี่ยก็คือมันก็อาจจะไม่สัมฤิ์ผลก็ได้ข้อมูลดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยมีแหล่งข้อมูลจากอาวระซุน และมีวิเคราะห์กลุ่มภาษาไทยนะฮะไครการพูดการสื่อสารเราสอนกับน้องไม่เหมือนกับเราพูดกับผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ไหเวาเราสูดเราดูแต่ท่านนะฮะพูดภาษาของุมชนนั้นสิภาษาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าภาษาไทยภาษาหลับอย่างเดียวผู้นี้พูดไม่รู้ภาษาเคยยินไหมคว่าอะไรไม่มีรู้ภาษาคืออะไร หมายถึงว่ไม่เข้าใจภาษาของพวกคือันพูดเราไม่้เรื่องพูดเก่งคนละภาษาเนี่ยเราพูดเก่งคนละภาษาอ่ะแล้วคนพูดภาษาอะไรภาษาไทยแล้วผมอะอะอะไรแล้วพูดคนละภาษาเน่แสดงว่ามีอีกภาษาหนึ่งที่เรารู้มันอยู่ก็คือไม่เข้าใจนเช่นกัครับเวาเราซู้เนี่ยคือแน่นอนว่าท่านรู้รู้ภาษาเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษาเปลืองนอกเพียงเดียวอ๋อฉันพูดภาษานี้นสต์ดังนั้นเนี่ยเาบอกว่าเวลาเรียนภาษาเนี่ยเรียนวัฒนธรรมด้วยถูกฮะ เรีนภาษานะ เ, น, น, าาเนีเ่ยเวัฒนธรรมตเนีเ่ยได้คู่อ่นเลยเห็นไเวลาเราจะถ่ายทอดเดี๋ยวไม่บอกเราใช้ภาษานี้ภาษานนั้นได้แล้วบางทีเนะี่ยใช่ภาษาจะพูดไม่รู้เรื่องพูดกันเหมือนกับพูดกันคนละภาษาแสดงว่ามีภาษาภาษาเวลุภาษาภาษาผู <c oughs> ้ใหญ่ภาษาเด็กภาษาอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ก็มีเทคนิค <c oughs> เป็นภาษาอีกศาสตร์หนึ่งต่างหากเลย ที่เราก็ควรที่จะนั้เนี่ยที่บอกว่ายังอื่นในสารอื่นมามาตอบกันกับท่านผู้รางผู้รางไม่ได้บอกทั้งหมดว่ามันคือมีภาษาอะไรบ้างใช่ไหมแต่บอกกับโดยรวมแต่นั้นในเวลาทีเนศึกษาภาษาเอาทำไมต้องศึกษาภาษาทำไมจะได้มีคำตอบอ๋อที่ฉันแรงผักกันเพราะฉันพากษ์บางคนบอกเรียนภาษาไทยอ่าบางคนเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอเรียนภาษาอะไรก็ตามทาไมเขาต้องมีเหตุผลใช่ห อราุภาราัวใจเปพระเจ้าทุกภาษาเอลอดราสามารถที่จะสนใจได้ทั้งหมดใช่ไหแต่ว่าเราสุภาษราหัวใาเนี่ยคัดเลือกเราซูดนะนะเอาใจใส่กับภาษาของกลุ่มูเป็นทรนบีซองเราพระนบีนี่คือกับทุกภาษาไม่ใช่ว่าสารอย่างเดียวนะแต่เนื่องจากว่าเรารู้ว่าเราอานว่าให้ทุยจารุริซแต่เรารู้ว่าจะส่งใครมาพระนบีเนี่ยท่ายาของท่านจะมีหมดไงทุกภาษาใช่ไห มีบทเข้าใจบทแบีแต่ละท่านแต่ละกลุ่มชนเนื่องจากความรับผิดชอบของท่านแล้วน้คือเฉพาะกลุ่มชนก็จะภาษาหนึ่งนในบีจะครอบคลุมทั้งหมดและถาใช้ง่ายของท่านในบีก็สามารถใช้ภาษาต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอินเดียิสานีเขามีเอาเอาใจใส่กับกลุ่มเป้าหมายบิลียสานีเขามีเพื่ออะไรส่งประซูตมาเพื่ออะไรนีอยู่แบายในเราที่ภาษาเดียวกันเพื่อที่จะอธิบายให้แก่พวกเขา แล้วเนะี่ายอภิญญาเนี่คือคำว่าดีอยู่ใบใบมาจากคำว่าอะไรใบอะไรอ ย, ายาู่ใบอภิญญาการอธิบายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึงคือการเทคนิค ก, การนําเสนอในการอภิญญาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันในการไม่ใช่บอกว่าเออเราใช้อย่างไงก็ได้ดีอยู่ใบดีในละวงนี่คือเพื่ออธิบายแสดงว่าการอธิบา ย, ฐฐบายการอภิญากันให้เขา้าใจเป็นภารกิจของเราทุนด้วย ไม่ใช่บอกว่าเราสู้คือนักเสนอฉันนักเสนอแล้วเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึงปล่าเราสู้มีข้อมูลที่ดีคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมและมีวิธีการถ่ายทอดที่ถึงใจหรือเข้าใจประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารหรืออยู่ไม่ได้แล้วเพื่อเราสู้ท่านนั้นๆจะได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ข้อมูลจากอัลลอฮ์เนี่ยให้แก่พวกเขาได้เข้าใจนะครับฟาอยุดิลลลลอฮ์ฟายุดิลลลอแล้ว อยู่ที่อัลลอฮ์จะให้หนงทางกล่าวตือมันจะกลับไปข้างบนนะฮะเราสู้ในตูคริสติ น, นัสมินาซูลมาตีนั้ีอิทีเราบีอิอบบบบบบทเราเอาไม่ได้ของมนแสดงว่าเป็นไปได้เราสู้เนี่ยคือนำเสนออย่างดีที่สุดข้อมูลดีไหมอุปรานสุนนะวิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างดีเทคนิคในการนาเสนอเนี่ยนี่คือการสอนทั้งหมดเลยพบยันะแหล่งข้อมูลต้องถูกต้องปุปราชุนนะ ใช่ไครับมีขอ้อกลุ่มเป้าหมายวิธีกา ร, รนาเสนอที่ดีแต่าการนั้นก็ตามครบกระบวนการแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้เรือ่องหรือว่าไม่ทำหรืออาจจะไม่ไม่ไมไมพร้อมที่จะฟังโคฟเฟอร์ปิดปฏิเสธปิดสติปัญญาของตัวเองเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหรที่บอกฝายอุดิลลบีอิฟนี่เราอบีอิฟด้วยกุมัติอเาฝฟยดิลลลรจะให้หลงผ่าไทครครับฝยุดิลลัลไม่เยชั่ผู้ที่อัลลอประสค วายาดีไมยะชเนละแต่ทีอธิบายคอิดนีรภัยด้วยกับัรมะของพระที่เราสุนยุขริจันทอุขริจันทนะสุลูมาตินนทเนี่ยก็คืออยู่ไม่ดในละวุมใช่ไหมฮะอธิบายนะ้วแต่อยู่ที่รูปเราเราจะให้นะรให้พอกาหลงทางว่ยู่ที่รูปเราบุ๋มไยะชาใครผู้ที่ประสงค์ผู้ที่เราประสงค์เราประสงค์เรารู้นะฮะว่าใครควรที่จะหลงทางใครเหมาะสมที่เขาจะรับการหลงทางวายาดีไมยะชาและ ให้ทางนำแก่ผู้ที่รัประสงค์หายถึงว่าเขาต้องการทางนาแล้วเขาจะให้ทางนำไม่ใช่ว่าขอทางนาแล้วเอาไม่ให้นคือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ وَيَهْدِي م َา يَشَاءُ وَمُبَارَكٌ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزي ซ์เี่ยแลว่าอา้ ز ي ز มีเดชานุภาพแต่ทุกสิ่งอัลลอฮฺไม่และอย่างี ز ي ز ู بو ชัยไม่มีสิ่งใดจะทาให้โองเนยไ้ความสามารถ วัวหัวลาการิสอัลฮะกีมอัลกีมไม่พอเลยะุมีห้มากกล่าวคืออัอฮฺพะองที่ลไชเจอลอฮฺะาเจะให้ผู้ที่รับประสงค์เนี่ยให้เขาหลงทางคนที่หลงทางแล้วเนี่ยก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังทรงเกลียดแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ในหนทางขอเ่าเขาจะไม่สตาร์ออกแล้วก็ยังคงมีเกีย ไม่สําคัญไม่ได้สาระสำคัญคุณจะหลงคุณจะศรัทธาไม่ได้ทาให้อำ น, นาจของน้องสุภาราตลดทอนแต่อย่างใด น, นคืออํนนานาจที่สูงสุดการหลงการที่คุณออกจากหลงทางส่อเลาะนะนะไม่กระทบกับอำ น, นาจขององค์ไม่ทําให้เราให้ความสามารถทีจะลงโทษคุณได้เช่นกันนะอัลอาซิสอัลฮากีนในขณะเดียวันอัลฮากีนองค์ลก็ให้ใครที่รับสาระไม่หลงทางเนะี่ย เกียวกับเหตุมาของพระองค์เหนายันบอกว่ารัสสุการน๋อทำไมถึงอัลอาซิสทำไมถึงอัลฮามิดลายัก่อนหน้านี้ก็คืออัลอาซิสอัลฮามินะครับลายันต่อมาว่เาควรอ่สนนมูซาไปอายันะนอัคริจอาุกมีนาสุลมาตีเล่นูร วละ ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله سبحانه และเจ้าเนี <S ess> ่ยยกยกตัวอย่างอีกอีกโมเมนต์ละต่อข้รกเนี่ยคือไม่เบื่อเมื่อกี้ตอนแรกพูดถึงคำพีใช่ไหมฮะ พูดในรสมุตินะด้วยลลัลฮุลัยลมก็นคิบอรสมุุมาพูดยมูซาอว่าออรนาควาจิงแล้วควาจิงแล้วลาแปลว่าิตะกีเน้นย้ถ้าอยู่หน้ากริยาอดีต่บีนะแลว่าแน่นอน้จิงเน้นย้ำเขาอรซนาแน่นอนจริงแล้วเราได้่อรนามาน่าอร์เซนา จะรวมสองส่วนนะอันกตาร์ด้านบพูดถึงคิดคำีใช่หครับแต่วพูดถึงท่านจะมีภารกิจข อ, องท่านจมีซอลลอเร็แล้วก็พูดถึงบรรดารซูลที่จะทาภารกิจอะไรบ้างเเราก็ยกตัวอย่างรซูลานหนึ่งก็คือวั น, รนเราัลลอฮ์เซาได้ส่งมูซาบิอาาตินะด้วยกับอะไรฮะอาญก็คือสัญญาณทนที่เขแปลว่าอะไรบิอายาตินะสัญญาณต่างๆไม่ใช่แปลว่าอาัลกุรอานนะ แต่ว่าสัญญาณนันดีมูซาเนี่ยได้รับหลายสัญญาณ่สีอายาสก้สัญญาณนี่กัน9กสัญญาณอะไรบ้างครับ2สัญญาณใหญ่หนึ่งคือใบเท้าใบเท้าที่ไปเป็นงูม่เท้าที่ตีนั่นเเดยมีสัญญาณใหญ่และคือคุยกับแต่ลสัญญาณคุยกับสติปัญญาของกุมชนท่านนัอยูสบายด้เนี่ยนักอะไรนักสายสาเยอะใช่เาคุยรู้เรื่อง พวกยูอะพวกบริสตอร์สมัยนูนสมัยนั้แต่สมัยนีมีสวยม่ะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะว่าเรื่องเฉรษศาอะไรกันเยอะแล้วไปจะมีภูสนาทำลายเศรษาสตอาซอไปเท้ามือมือที่เป็นเป็นแสงน้ ำ, ำท่วมสมัยนบมีภูสาคือมีน้ำา้ท่วมเลยนะแล้วก็จารจารอ์นี่คือตะกั่งเขาแล้วก็โกอย่างที่ใน ดีีดีในบมูซาะครับก็มีทั้งหมดเลือดแล้วก็ปีที่แห้งแล้งแล้วก็การอะไรนะพืชพันธุ์ที่ไม่มีไม่มีผลไม่มีพืชพันธุ์ที่เป็นพืชผลออกมาให้บริโภคแกบบ่นีนสโตร์อยทั้งหมดเนี่ยทิศอาญาทั้งหมดเก้าอัญาเาสัตว์ตอางเดีกนเราสุภาษณราส่งบิบมูซาบิบมูซา ม, มาเนี่ยไม่ได้ส่งปเปล่าๆพวคนไ ม, ม่เชื่ออะรกไข่เราสู้ใข่ ใช่ไหมครับาจาผู้ในเสธจะบอกแต่เราจะให้ให้สัญญาณสอดคล้องกับอะไรนะสอดคล้องกับกลุเคลอนะพวกเราเนี่ยยุคอะไรนียุสุดท้ายใช่ไเขาไป็นยุคยุคนี้นะยุค information ก็คือยุคข้อมูลท่าวสารเยอะมีอะไรยอมากยุคที่แบบข้อมูลอะไรเยอะมากวิทยาศาสตร์ข้อมูลสมัยของวิทยาการเยอะมากแล้วเราส่งหมอไหครับโอ้โหอายัดอทิ อายะตคืออันกุรอานเนี่ยอายะตันกุรอานนี้เนี่ยเป็นสัญญาที่เหมาะกับยุคนี้ที่สุดเพราะเป็นยุคข้อมูล่าวสานยุคความรู้ยุควิทยาการกุรอา่ท้าทายยุคนี้เนี่ยทั้งสิ้นนะฮะตั้งแต่สมัยท่านระดีซอจนกระทั่งถึงวันเกียรมาเมยุคเราไปถึงวันเกียแสดงว่าเราส่งกับนะดีท่านใดมาเนี่ยเราจับภาษาด้วยกันแล้วท่านสัญญาแต่สัญญาที่มันชัดเจนมันเข้าใจได้กับกลุ่มชนนั้น ไม่ใช่อางงสมัยนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เปล่าสมัยนี้คือยุคแห่งความรู้ถานใครก็ยุคความรู้เรียกได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยถ้าประเทศไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น่าจะไม่ใช่ยุคปัจจุบันนี่คือยุคแห่งความรู้ยุคแห่งวิทยาการต่ตางๆมากมายนะฮะและ้วเราส่งมีภูษามาเนีิอายาตินาสัญญาของเราของเรา ทำอะไรครับนบีมุสอาอ์สัญญาเรา้ทำอะไรัอันอัคริชก็ามาให้ท่านจงนบีมุสาอัคริชจงนำเอาเอมามากกลุ่มชนนั้นออกมีนซูลมะีลาดูดสัมงานคล้ายๆกันไฮะก่อนหน้านี้ก็คืออัลลอฮฺบอกเลตุคริยานัสกตาร์บนัสนาฮูอเลกะทําิีถิท่านนบีมุบลานะแต่เวลาเราดูเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันะ เนื้อเรื่องเนี่ยในอ่านไม่ใช่ว่าไปแบบ น, นั้ น, นเรื่อยๆกล้าคือก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงท่านจะมีโซโลซัมภารินอะไรครับอ่านมานีา่อัลลอฮฺุบฮานูรตท่านจะให้คือมาดูตัวอย่างกรงงณีเคสตานสเีเป็นยังไงบรรดาผู้ที่หลงทางบรรดาผู้ที่ไม่เอาอายะห์ของอัลลอ์เนี่ยอ่าเป็นยังไงชีวิตของพวกเขาในบ้า น, นราเป็นยังไงเมื่อกี้เราบอก่ีมูซาอัยสละนีบบมาาออลลัลลอฮัิุก i g a มอัุลมาติบิลนูิบุ อันซันนาห์อีเลก์ดิทุกฤษณ์ข้อแตกต่างเนเรามาเปรียบเทียบกันนิดิดหน่อยคือไม่ได้เปรียบเทียบในการตัดสิหรือว่าถือว่าท่านนบีมูซาใครใครประเสริฐกว่าใคระัได้รู้ว่าพระกินที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะท่านบีสั้าไม่ให้ถือว่าบอกวานบีประเสริฐกว่านบีท่านนี้โดยเจตนา่ต้องการทีเคด อันดีอีกท่านหนึ่งี่มีนะเนี่ยคนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันเวลาเราใช้จะเป็นกับโต๊ะรูหรือเป็นกับเพื่อนฝูงบางทีเราว่าเราต้องระวังนี่ความสอนในมีเยอะลึกซึ้งมากในมีท่าบอกว่าออคนนี้ประเสบกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้โดยบอกคนท่านบางทีเ น, นี่ยยกย่องท่านเยี่มากจริงๆไม่ได้ต้องการชมคนนี้หรอกแต่ต้องการอะไรต้องการบอกว่าอีกแบบนีไม่ดีอีกคนนึงเนี่ย โอหคุณทำ เ, เขียนได้ฝีมือเย่มากอีกคนหนึ่งเขาก็าเขียนเหมือนกันแต่เขาไม่บอกว่าเนาได้ฝีมือแย่ตันนี่คนนี้คนที่เขียนฝีมือไม่ดีใช่ไหมแต่เราบอกว่าคนนี้เขาเขียนดีมากแต่เขาเรียกว่าตีบัวทุบคราใช่ไหมต้องการจะทุบผลิตที่ชิ้นไม่เรียไอ่ไอ่ไม่ได้เพลื่อมอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เขาเข็นดีเราหอกโอ้โหดีมากแดงตอบเป็นี้ไรมเหมือนคนนี้ เคยใช้ความรู้สึกใช่ไหมบางทีเขาบอกสมมติว่าคนอันคนนี้ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามระวังความรู้สึกลักษณะนี้คือการเปรียบเทียบที่ต้องการให้จะให้คนเนี่ยถึงเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้นะรัอันอัริชก็มอข้อแตกต่างดิทุกฤษณ์แมสเพื่อนผู้คนทั้งหลายแมสแต่ท่านอบบดุลาอัคริชเขามากลุ่มชนของท่านใช่ เฉพาะกลุ่มแต่ถ้าได้มีณานัสหนึ่งนะครับบิอารยาทีนะด้วยกับสัญญาของอัลล์ก็คือกสัญญาจะกล่าวใช่ไหมแต่มุฮััดด้วะอัซันนาออิกะอัซนาุพีอันผู้หลานเป็นอาญาขออัลล์ที่ประทานให้กับท่านจะมีโซลลออะไรสรมาแสดงว่าเครื่องมือแตกต่างกันแต่้าหมายครับบิัสรุมาี่เหมือนไก่นะะคนละคนละเครื่องมือ มมไม่ใ้ไมเท้านบิบไม่ได้ใช้ไม้เท้าในการดาวาใช่ไมถูกมครัมีมือเรนบิ ม, มไม่ได้ใช้ลักษณะ น, นี้แล้วจะมีมือที่เป็นน้ำผุ้มากระตักใช่ไใช้พลังแต่นี่คือแนวทางหลักถ้าเรนบมีัสอดร้อยในการด่าวาต่าอไปเรนบิมบัลนำผู้คนไปยัซูลูมาสอิลนูรและรนบิมบัยลยัหน้าที่วัดเบกี่ยุมและจงตักเกินพวกเขารจะทหน้าที่นี้ด้วยนะ บ, ยบิลลถึงวันต่างๆของอัลลอ วันอะไรวันมกราบปีฮะวันต่อไเดือนมุฮัรรอมสวลรค์ใินายมาสัลลนอัสเมัได้เคยเห็นชาวอิวนมูซ่าเนี่ยเป็นบุคคลที่ตักเตือนผู้คนถึงวันสาคัญต่างๆตัวอย่างหนึ่งก็คือในวันอะไรฮะวันอัชชุรอวันที่อัลลุบฮานูตะนะให้บริสรอีนรอด้นจากอะไรเกยจากทิรอุนแต่แยกกันไปจะพูดถึงเรื่องนี้ ให้รอดพ้ น, นจากการ อ, อ, อาหรือฟราฟิร์อ า, อาและโอบาลของเขาเนี่ยจากจาการกดขี่สูม้สมูนุนมสู้มาแครับงโทษกดขี่งเหนอยู่นแบนมีมอมุสารอแล้วก็เลยตื่สดแล้วก็บาดาชาวบารีสรีก็ตืสรดนะจะมีมสซัเห็นชาวยวัน่นอยูบารีนะถึงสุดวาชอะไรกันฮ้ย่มุนซอลยาคนวันดีฮมุจัลลอฮ อัาาลลอฮละก็ะะได้ให้เอ่อใครครับบรรดาผู้ศรัทธาสมัย น, น, นมีมูซาบันิสโรวีนรอดพ้นจากที่เราพะซอฮูมูซ า, าบิมูซาถืิ่นึ่งถ้านบิมูซาเรมจงที่บอกนะบอกว่าอันนะฮะกูบิมูซาดิกูบาชันี้เนี่ยมีสิ ต, ต่อมูซาท่าของทุกท่านถ้าในบมก็ถอสนึแล้วก็ชใช้ในบรรดาซอโมฮูสิ่ แสดงว่าอับุลมูซ่าเนี่ยวดรักิรบยาิลถืสอสวดต่อเรื่องนะฮะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบทุกปีเนี่ยก็จะถือสดในวันที่สิบาชุรทําไมไม่รู้คุณขอสุภารัตนแสดงว่าเราเชื่อไหมเราอย่าลืมุคุณขอรองเที่ยร้ให้กับเราเนะี่ยให้เราได้ความโปรดปานต่างๆ ต, ต, นะต้องรําลึกแต่ของพุสลินี่ก็มีอยู่แล้วใน่ว ง, งเดือนลมาตอนใช่หมเดือนระมาตอนนะฮะ ส่วนท้ายในจุดก่อคือนี้อันตราุกท่านลงมาในความปรับปานของพุะสุภาราหัวตลานะและเฉลิมฉลองในวันอีกหรืักับบิลโลหะอาลามาอาดาบุเพื่อพกท่านจะได้ตัดทิศในวันอีกเนื่องจากที่พวกท่านได้รับทางนั้นถ้ารัอะไรกบผู้ดินนั้อกุณานี้เี่ยวกันแสดงว่าการตัดเปลีนหนึ่งวันเวลาต่างๆะเป็นการคิจสาคัญนะครับในมูซาท่านจะบิมาซอสุดเช่นกันอินนฟีดาในกรดกล่าวนี้ การนี้ก็คือการที่จะมีโมซาน่แล้วเอชวนนองท่านออกจากความมืดสู่ความสว่าง น, นะครับตักเตือนเรืกับวันเวลาต่างๆของ้อนเนี่ยและลยัดเป็นสัญญาณมากมายลีกุลลีสำหรับใครครับซอบบ้ารินชพูดคนที่สมบัติคนที่อดทนอย่างมากสบามสบัติในสวัิ์คับคือสมบัติชพูดไม่ใช่ช้กันธรรมดาเชพูดอดทนคนละขอบคุณอย่างมากคนก็มีสองแบบ عجبا لامر المؤمن كان نقصا نبلاء إن أمره كله خير دين أمر إن صابته ضرّة หาความสุขมาะสมกับเขาทำยังไงครับชาตรฟากาค ر ยขอบคุณความดีผสมกับครับว่าอินทรสาาถูดรและหาความทุกข์ความเศร้ามาผสมกับเขาสบอดทนอะไรบอกขอบคุณท่อันสองนี่คือความทุกข์มสบเนี่ยอะไรฮะความทุกข์มาผสม อดทนใช่ไมนะับานก็ เ, กนนเป็นดีสาหรับเขาเหมือนกันนี่จะมีว่าจะไม่ได้รับสำหรับใครนอกจากบรรด า, า, ราผู้ศรัทธาชีวิตของเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็ใช้สองมาตารฐานนี่แหละจะดูเผชิญกับอะไรอ่ะฮะระชิญกับอะไรบ้างดีทำทุนละพอคุ ณ, คณบททดสอบอดทนทั้งสองเนี่ยากัความดีขึ้น แต่า ง, างกับผูป้ปฏิเสธดีมาผสมเนี่ยแล้วเมื่อดีใจยจนเวอ้อฉลองนีสิ่งไม่ดีมาประสบเนี่ยเศร้าเศร้าจนเวอ้อแล้วก็ยอมใจอ่าเช่นั้นคือนำมาซึขขง่งความความผิดนะพูดแต่穆斯林เนี่ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ใ ช, มมมใช่มุสลิมแต่ซอตะถูกเอ่ อ, อถ้าความดีมาประสบความสุขมาผสมเนี่ยเขาขอบคุณความทุกมาผสมนะฮะเขาอดทนสองส่วนนี้ใช้ตลอชีวิต นบีมูซาที่อยู่กับปวงวันที่เราเช่นกันนบีมูซาอดทนตลอดอดทนตลอดบีิิสโรวิแตกจะมีบทีอะไรหรือ่าใช่ไหมจะมีมูซาอดทนข้ามทะเลมาแล้วรอดพนแล้วไงฮะขอบคุณนชีวิตนี้คือมันแบบทเรียนนะอดทนขอบคุณอดทนขอบคุณเดินเบียงไปเรื่อยซอบ้าเดียวอดทนก่อนนะอาว่าอิ์ก็อก่อนบีมูซ่าอดทายอดทนมาก่อแล้วก็การ ผาไปแล้วเนี่ยไอยาบาาให้ร้นี่ขอบคุณนการเรอางๆที 1958, Allah, you ่เก you ิสุดยอดนะและเอซบก็จนอย่างมากพอชีวิตเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องประสบกับทุกข์อย่างมากขอบคุณอย่างมากก็เช่นกันมีอะไรที่ประสบความดี่ามากเหมือนกันนะครับยาที่หนะครับและจงระดึกนเรือะไรครับ ขณะที่จะมีมูซรากล่า ว, วนะคุณนี่สาคัญกล่าวไว่มีเขามีแก่กลุ่มชนของท่านอ่ามีมูซาตักเตือนกลุ่มชนของท่านวนกูรูนีมาต ล, ลอดพวกท่านจงรับรึถึงอะไรเอ่ยนอมาตลอความโปรดปรานของเราะอะไรที่มีพวกท่านนี่เราจริงๆๆเราต้องรมนึกถึงความโปรดปรานนะเราในกรณีที่เครียดนะไม่ได้นึกถึงความโปรดปรานของเราสังเกต ถ้านึกเอ่าเราให้เยอะเลยเถิดเราให้เลยเถุ้งก่นี้ยมาตแล้วคุณงสค أن ج ا ك م من ألف فرعون ي س و م و ن ك م سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم อะไรบ้างความปลอดภัยของ um. อินี่หมาว่าเมื่อขนาดที่อันเจอะก่เอาไว้เนี่ยให้ท่านให้พวกท่านรอดพ้นบินอาลรเราจากดวงวันฟิร์เราเนี่ยเห็นไหมไอ้ยามิลส่วนหนึ่งก็คือที่ด้รอดพ้นมมีปูซาถือศิษย์ตให้รอดพ้นจากัวงวันของฟิรเอาเนี่ยทาอะไรย่าสูมูนกุมซูอัลอาเลบดวงวของพิร์เราเนี่ยโดยที่พวกเขานี่ สู้มุนกุมเนี่ยพวกเขาเนี่ยให้พวกท่านเนี่ยรีบรถชาติการอทลมาสู้อลาฮัจอย่างเลวร้านะที่สุดใช่ไหมบันิสรอินียอัลลอฮสุบฮานะวะ า, าสั่งสอนอบรมพวกเขาด้วยว่อยาอลืมนะบุญคุณอัลออุลามาก็บอกบันิสรอินเนี่ยคือเป็นุนคนที่แปลช่วงที่อยู่กับฟิอาหูกดทุกกดไม่โมโหแต่ช่วงที่รอดมาคือจรแล้วคนดี ม, มีนะแต่ที่พูดถึงปัจจุ บ, บันนี้คือว่ า, าบางคนที่เขา มันทำไม่ไมถูกต้ อ, องเลยแลดูกดคีบข่มเพงปาเลสตน์รัชสมานุนให้ดับมีมุสะเลยอย่าลืมนะอย่าลืมที่รัชสมานุนเมตตานะอย่าลืมว่าตัวเองเคยเป็นทาสเป็นเลมากนแล้วพอมาวันที่เหนือได้รับความโปรดปราจากอัลลอ์นะเอาคนอื่นมาจุ่ใต้ตนเองบ้านไม่เหมาะสมไม่ควรยิ่งนะไว้อยู่แล้ีฮุนาบดาคุมในเชื้อแล้วพวกเขาทำไปปนะัจจุบันนี้ฆ่าคนเป็นทันเป็น เหมือนกับว่ามันมันติดนิสัยมาหรือเปล่าเขาก็ไม่ทราบแต่พือ่อนอนริ่มมีภาวนาบูาแลวพวกเขาเนี่ยฆ่าลูกหลานพยายามอยู่ในนิสาคุณมแล้วก็ให้ชีวิตปล่อยไว้ชีวิตใครครับไว้ชีวิตบรรนสตรีว่าผีไดลกุมในดังกล่าวมิบราอุมิร บ, บีคุมมเอาซิเป็นบททดสอบเนะี่ยบททดสอบบรรลุมิร บ, บิคุมเอาซิจากห้เจ้าของท่านเอาิที่ยิงย่งใหญ่ อายะนี้เนี่ยก็เป็นการตักเตือนเราเนเช่นเดียวกันพอเป็นบททดสอบอะไรก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตของเราเียเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบที่จะต้องเอ่อรับสราบเอามาจากไหนมาจาก เ, าากเอาน้องสุภาหานมวลด้านอาจารย์ท่านขเขาเขาพูดแบบว่าทุบททดสอบนะจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับทุบททดสอบเนี่ยที่เราสุภาหานวาแลแลและลาให้กับบ่าวมาเนี่ยจะให้มาพร้อมกับ ความอดทนสองอย่างพร้อมกันแต่คนหลายคนเนี่ยเลือกรับออรรเฉพาะทดสอบอย่างเดียวแต่ไม่เลือกรับความอดทนดไปด้วยก็เลยอาจจะไม่ผ่านทดสอบได้ว่าไม่ได้ความถูกบตัหรือความจีที่มาจากอ o s s ปาะหารหัวตาใจนะครับเราขอาทราบพิริยคดีนะครับผมวันจันทร์ ขอบพระคุณเจ้าพประสริฐรทุกคนบัสมุยัมมัาวาอัลฮิมัสฮุ ا ซาอกา